นมัส ก, การพระเถระเพื่อนสะอาดตันมิกจเจริญพรญาติโยมวันนี้ผิดธรรมเนียมหลวงพ่อปัญญาไปหน่อยท่านต้องยืนเทศหลวงพ่อลูกศิษย์ทัน้นลูกศิษย์ทัน้นถ้าไม่มีหลวงพ่อปัญญาวันน้้นนะไม่มีหลวงพ่อประโมดวันนี้คือท่านเป็นผู้บุกเบิก เอาธรรมะเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเป็นเรื่องยากยากมากกเลยที่คนทั่วๆไปที่ไม่ได้ศึกษานะจะเข้าใจเจอภาษาบาลีเขาก็แย่แล้วก่อนจะเทศก็พิธีกรรมยาวรวมมาจะโลกาอะไรต่อเรยาวก็ดีของเขานะแต่ไม่ไม่ใช่ไม่ดีแต่มันไม่ทันใจใยรุ่น หลวงพ่อปัญญาท่านบุกเบิกธรรมะทำของยากให้ง่ายชัดเจนเวลาท่านเทศนะ์นะชัดเจนอธิบายธรรมะได้ได้ดีนุ่มนวนลด้วยพวกเราใครเคยฟังท่านมีไหมทันไหทันท่านไหมกบุญนะไดนะ้ทันท่านแต่หลวงพ่อเด็กๆ ก, ก็ฟังท่านเทศเนะ์เรื่อยไปตามวัดบ้างบางทีท่านก็มาที่โรงเรียน แต่ที่ประจําเลยก็คือท่านออกวิทยุ ส, สมัยหลวงพ่อเด็กๆไม่มีโทรทัศน์หรอกโทรทัศน์มันมีตอนโตขึ้นมาหน่อยละมีโทรทัศน์ท่านก็ออกโทรทัศน์อีกธรรมะตอนตอนหลวงพ่อเด็กๆนะนเราก็ภาวนานะหัดพุทธโธหัดภาวนาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เจริญสติเจริญปัญญาเลยทําแต่ความสงบอาศัยฟังธรรมะของหลวงพ่อปัญญาท่านสอน ก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอามาปฏิบัติเอาเองธรรมะไม่ใช่เรื่องฟังเล่นๆแต่ฟังแล้วต้องมาทำจริงๆตอนเรียนมหาวิทยาลัยตอนนั้นลทัทธิคอมมิวนิสตนะ์รุนแรงหลวงพ่อก็เคลิ้มๆไปบ้างแต่ว่าอาศัยว่าเราเคยฟังหลวงพ่อปัญญาท่านเทศมาตั้งแต่เด็กอะ เรารู้ว่าธรรมะนั้นมันมีอะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู้้าสนใจก็ตั้งใจไว้อย่างหนึ่งนะถ้าจะบวชเนี่ยถ้าไม่ไปบวชกับท่านอาจารย์พุทธทาสก็จะบวชกับหลวงพ่อปัญญาคิดอย่างเนี้ยนี่ตอนนั้นจะบวชจริงๆนะเป็นนักศึกษาอยู่นักศึกษาเวลาไม่เยอะไปจะบวชกับท่านอาจารย์พุทธธาสก็ไกลพ่อแม่ก็ไม่ได้เห็นอะไร ในบวชก็หลวงพ่อปัญญาวันบวชท่านก็ให้หนังสื่อมาเล่มหนึ่งบอกให้ไปอ่านเอาเอง<ม>นังสือท่านใส่พุทธทาสนั่นแหละในนั้นท่านเขียนมีอยู่ท่อนหนึ่งบอกว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทเราไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทแล้วอยากรู้ว่ามันคืออะไร ถามใครใครก็ตอบไม่ถูกว่าปฏิจจสุบาทคืออะไรนะจะถามหลวงพ่อปัญญายเองท่านก็ไม่อยู่วัดท่านรับนิมนต์ออกไปข้างนอกทุกวันทุกวันเลยกลับมาบางทีก็ค่ำบางวันไม่กลับหาตัวท่านไม่เจอหรอกนานๆนนเจอท่านทีหนึ่งปรากฏว่าวันที่ครบเวลาศึกนะท่านน่ารักที่สุดเลยน่ารักแบบอืมนึกไม่ถึง ตอนเวลาท่านศึกเนี่ยท่านปรุงอบัตท่านบอกผมผมเป็นอุปชาผมไม่ได้อบรมคุณโดยตรงนะผมอบัตท่านบอกงี้นะเนี่ยน้ำใจน้าใจครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐสุดๆเลยแต่ท่านาไม่ได้ว่าทอดทิ้งเราท่านให้เราเรียนเองตอนไปกราบลาท่านศึกท่านก็บอกว่าสุขภาพจิตของคุณดีมาก คุณไม่จําเป็นต้องมาเรียนกับหลวงพ่อตรงๆหรอกนะเอาไว้ให้คนที่เขามีปัญหามาเรียนก็ได้หลวงพ่อจะเจอครูบาอาจารย์ท่านจะพูดแบบนี้หลายองค์นะบางคนก็ไปแปลว่าครูบาอาจารย์ไม่รับสั่งสอนความจริงท่านรับสั่งสอนนะท่านสอนแต่ท่านรู้ว่าสอนดีที่สุดคือสอนให้เราช่วยตัวเองให้ได้ หลังจากนั้นศึกมาแล้วก็มาหัดเที่ยวหาอ่านว่าปฏิจจสมบาทคืออะไรนะอ่านได้หนังสือท่านอาจารย์พุทธทาสนั่นแหละม า, าอ่านอ่านก็ไม่เข้าใจมีแต่สับเยอะแยะเลยต่อมาก็ออกไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนกรรมฐานโดยตรงนะที่ไปเรียนกับหลวงพ่อปัญญาท่านก็ไม่ค่อยอยู่วัดหลอกหาท่านไม่ค่อยเจอก็ไปเรียนกรรมฐาน ตอนจะบวชนะหลวงพ่อปัญญาก็ยังอยู่หลวงพ่อมันนึกถึงเอง้เราจะบวชที่ไหนดีไปเบิชกับหลวงพ่อปัญญานะแล้วท่านงานเยอะรู้สึกนี้นะแล้ววัดท่านวัดใหญ่ก็เลยหาที่เงียบๆภาวนาใจนะไม่เคยลืมท่านหรอกเพราะท่านหล่อเลี้ยงทําให้เราไม่ทิ้งพระพุทธศาสนาไปนะลืมไปแล้วว่าเขาให้เทศเรื่องอะไร อย่าไปคนโรกโรคใครจะไปเทศได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนูว่าปัญญาท่านเขียนไว้ดีแล้วอะ่ะไม่มีใครเหมือนหรอกไปหาอ่านเอาเองก็แล้วกัน <laughs> เราวิเทศแข่งคูบาจารย์มันไม่ได้ขี้ฝุ่นท่านไม่ได้หรอกนะเราก็เทศได้ลูกทุ่งเท่านั้นแหละเพราะงั้นไปหาอ่านเอาเองนะว่าทำยังี้ไม่เป็นกดโรกโรคเอาสไหนก็ได้ เราดูสิสัตว์ทั้งหลายมันเกิดมานะมันโรคโรคไมมสัตว์สัตว์แต่ละตัวต้นไม้แต่ละต้นอ่างเงี้ยมันมีหน้าที่ของมันมันทำหน้าที่ของมันเนี่ยสัตว์แต่ละชนิดนั้นก็ทาหน้าที่ของตัวเองพึ่งเข้าไปผสมเกสรดอกไม้ไม่ได้กินน้ำหวานฟรีน ะ, นะช้างมา ว, วัวควายอะไรก็ทำงา น, นตายแล้วมีเขามีหนังมีเนื้อเหลือไว้ มีประโยชน์กับคนอื่นต่อนะกระทั่งลิงนะลิงก็มีประโยชน์พวกเราไปทําลิงนี่สายเสียเมืนะ่อก่อนลิงตามป่าตามเขาเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ภูมิใจในตัวเองเนะขาใหญ่เขาใหญ่อะไรพวกเนี้ลิงอยู่บนต้นไม้ไปเก็บผ ล, ลไม้นะกินบ้างทิ้งบ้างอะไรเงี้ยลงข้างล่างพวกสัตว์อื่นมันก็ได้มากินต่อ เนี่ยดูๆไปนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันพึ่งพาอาศัยกันมันอิงอาศัยกันตลอดเวลาเลยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยแต่คนมันทําอะไรบ้างคนมันโรคโลกนะคนนี้พอเกิดมาก็เริ่มโรคโลกแล้วเกิดมาถึงก็บริโภคอย่างเดียวนึกออกไหมบริโภคนานมากเลยนานกว่าสัตว์ทั้งหลายนะสัตว์ทั้งหลายพ่อแม่เลี้ยงไม่นานก็ออกไปหากินเองไปทําหน้าที่ของตัวเองได้คนไม่เปลี่ยนหรอก บางคนพ่อแม่ส่งเรียนหนังสือจบแล้วก็ยังไถ่ายเงินพ่อแม่ไปเรื่อยๆนะมีลูกมาให้พ่อแม่เลี้ยงอีกนะคือถ้าเราไม่ได้ทําหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์แบบนะเราลกโลกแล้วละ่ะอายสัตว์นะสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาทําหน้าที่ของเขาได้เขาไม่รกโรคเขามีประโยชน์เนะพึ่งพาอาศัยกันนี่คนทั้งหลายพอเกิดมานะมีแต่เรื่องบริโภคนะ แล้วก็ทำสิ่งแวดล้อมเสียเห็นหมทำสิ่งโสโครกออกมามากมายทุกวันทุกวันท่วมโลกแล้วสิ่งโสโปรกที่คนสร้างขึ้นมารกโล ก, โลกจริงๆอ่ะทำไงเราจะมีชีวิตที่ไม่รกโล ก, โลกตรงนี้นะว่าทำไงเราจะมีชีวิตที่ไม่รกโลกแลก้วมีชีวิตที่มีประโยชน์ชีวิตที่ทำประโยชนช์ชีวิตที่ทำหน้าที่ของมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบมนุษย์สมบูรณ์แบบนะ มีหน้าที่สองข้อนะข้อแรกทําประโยชน์ของตัวเองให้ถึงพร้อมข้อที่สองทำประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้อื่นถ้าเราทำสองอย่างนี้ได้เราไม่เป็นคนโรคโลกอ่ะหรืออย่างน้อยทําข้อหนึ่งให้ได้พัฒนาตัวเองให้ได้พัฒนาจิตวิญญาณตัวเองให้สูงขึ้นสูงขึ้นก็ไม่เป็นคนโรคโลกคนโรคโลกคนทุศีลคนทุศีลไม่มีศีลไม่มีธรรม แล้วคนที่ทำประโยชน์ให้โลกได้นะคนมีทานคนมีศีลคนภาวนามีประโยชน์กับโลกมีทานมีศีลมีภาวนาจะยกระดับพวกเราให้เป็นมนุษย์ที่ดีมีคุณค่าอย่างเรื่องทำทานไม่ใช่เรื่องต้องจ่ายสตังเสมอไปอย่างเรื่องอภัยทานพวกเรามีไหมตอนนี้คนไทยขาดแคลนที่สุดเลยนะเรื่องอภัยทาน ฆ่ากันได้ใส่เสื้อคนละสีก็ตีกันสงสัยว่าติดนิสัยเล่นกีฬาสีตั้งแต่ดเด็กเนะ่อยมาเล่นกีฬาสีนะั่นมีพวกกับสีน้นสีนี้นะแล้วก็แข่งบอลแข่งอะไรแล้วก็ทะเลาะกันโตขึ้นมันก็มีแบ่งสีตีกันได้ถ้าเราไม่รู้จักให้อภัยกันนะเราก็อยู่อย่างลำบากมันเบียดเบียนซึ่งกันและกันตลอดเวลา ไม่มีใครที่ไม่ทําความผิดหรอกทุกคนเคยทาความผิดทั้งนั้นนะแต่เราดูแต่คนอื่นทําผิดนะเราคิดว่าเราทําถูกแต่ถ้าฝึกกรรมาฐานกับหลวงพ่อนะจะกลับข้างนะเราจะเห็นนะหาคนชั่วเท่าเราเนี่ยหายากถ้าเรียนกรรมาฐานกับหลวงพ่อเราจะเห็นอย่างนั้นนะลูกศิษย์หลวงพ่อประโมุ่นเนี่ยชั่วทั้งนั้นเลยะหาดีไม่ค่อยมีนะถ้าภาวนาเป็นเราจะเห็นนะกิเลสกิเลสเกิดทั้งวันมันดีมันวิเศษตรงไห น, น เนี่ยถ้าเราภาวนาเป็นนะอันนั้นหมายถึงระดับสูงลนะระดับพื้นๆเลยรู้จักอภัยกันบ้างไม่ใช่ความเห็นขัดแย้งกันแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะเบียดเบียนกันรุนแรงสัตว์ไม่เบียดเบียนกันรุนแรงเท่าคนนะคนผลประโยชน์ขัดกันก็เบียดเบียนกันความคิดเห็นขัดกันก็เบียดเบียนกันอย่างฮิตเลอร์ฆ่าอยู่ไปเป็นล้านเลยเพราะความเห็นครับทิศทิเนี่ทิศทิ มีความเห็นว่าพวกยิวมันไม่ดีอะไรเงี้ยหรื อ, อยิวมันคลองเศรษฐกิจไปหมดขาดผลประโยชน์ก็ไปฆ่ากันนี่ถ้าเราอยากให้โลกนี้มันร่มเย็นเป็นสุขนะรู้จักให้อภัยกันบ้างถ้าใจเรารู้จักให้อภัยใจเราจะสูงขึ้นใจเราจะร่มเย็นไม่ใช่คิดเบียดเบียนคนอื่นหรือการทำทานมากกว่า น, นั้นก็มีอีกการให้ความรู้กับคนอื่น เป็นธรรมทานคนไหนมีธรรมะเข้าใจธรมาาธรมะก็ประกาศธรรมะคนไหนรู้วิธีธรรมะหากินรู้วิธีดำรงชีวิตให้ดีก็บอกแนะนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นอย่างนี้ชีวิตก็เรียกว่าไม่โรคโลกรู้จักให้ทานให้ทานไม่จาเป็นว่าต้องให้เงินอย่างเดียวพวกเราบางคนยากจนแต่เราให้ทานได้ ให้ทานได้ง่ายๆเลยคนกรุงเทพนะยังขึ้นรถเมล์ก็แย่งกันเใช่ไหมให้ทานไม่เป็นอย่าเนี่ยน่าสงสารไม่มีความสุขอะของเราดูเพื่อนเพื่อนนั่งตามแดดเราขยับให้เขาหน่อยนี่ก็ให้ทานแล้วนะเสียสตังค์แตไม่เสียหรอกนะแล้วเราให้แล้วชีวิตเราจะมีความสุขนะถ้าเราคิดจะเอาเราไม่มีความสุขหรอกนะคนรู้จักให้จะมีความสุข ใจมันใจมันต้องอิ่มใจมันต้องเต็มเสีก่อนมันถึงให้คนอื่นได้อย่างใจมันเต็มไปด้วยความเมตตาเมื่อให้อภัยคนได้นใจเต็มไปด้วยความไม่เห็นแก่ตัวให้ความรู้เขาก็ได้อะไรได้ใครเป็นนักศึกษามีไหมใครเป็นนักศึกษาบ้างอืเคยไหมเพื่อนมายืมเลคเชอร์บางคนนะโคตรหวงเลยหวงที่สุดเลยนะเพ <Pierre S 2> ื่อนให้ติวให้ก็ไม่ติวนะอื ติวกลัวมันรู้มากกว่าเี้ย <Yeah. S 1> ห่วงห่วงทุกสิ่งทุกอย่างนยะใจแคบใจแคบคนใจแคบไม่มีความสุขนะไม่ได้เอือเฟื้อเผื่อแผ่นี่ยพวกเราฟังหลวงพ่อเทศจะเริ่มขยับกันแล้วเริ่มดูเพื่อนตาคนแดนนะขยับหน่อยยังไหมเนี่ยเริ่มไม่โรคโรกแล้วนะเริ่มมีความเมตตากรุณาเรเือเฟื้อเผื่อแผ่กันนะไม่เพียงมีทานนะต้องมีศีลด้วย ทุกวันนี้คนทุ่มสินเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเราเชื่อไหมว่านักการเมืองมีศีนเชื่อไหมว่าพระถือสีนชักคิดหนักแล้วก็ท <c oughs> <c oughs> ั้งพระยังไม่แน่ใจว่ามีสินไหมเนี่ยน่ะเป็นอมากแล้วนะ <c oughs> สีนสําคัญนะสีนเนี่ยเบื้องต้นพวกเรารักษาศีนห้าไว้ก่อนถ้าพวกเราไม่มีสีนเลยนะ เราโรกโลกอย่างแรงเลยมันจะเบียดเบียนคนอื่นจะร่าร่านคนอื่นตลอดเวลาเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจานะรูกรานชาวบ้านเขาจะ้เรามีศีลไว้ก่อนตั้งใจรักษาศีลห้าตื่นนอนขึ้นมาตั้งใจเลยวันนี้จะรักษาศีลห้ากลางวันก่อนจะกินข้าวกลางวันก็ตั้งใจจะรักษาศีลห้านะ ตอนเย็นตอนก่อนนอนก็ตั้งใจอีกตั้งใจเวลาหลายๆรอบ ก, ก็ได้ไม่จําเป็นว่านานๆเจอพระครั้งหนึ่งก็ขอรัตนาศีลสักทีหนึ่งไม่จําเป็นหรอกตั้งใจเอาเองนั่นแหลนะะตั้งใจแล้วก็รักษาเอาเองเบื้องต้นจะรักษายากเพราะเรารักษาศีนด้วยกายด้วยวาจารักษาที่มือที่เท้ารักษาที่ปากรักษายากนะถ้าเราฝึกจิตฝึกใจของเราให้สูงขึ้นไปแล้วการรักษาศีลจะง่าย การรักษาศีลที่ง่ายรักษาที่ใจรักษาที่ใจก่อนนะถ้าใจเราไม่มีบาปอากุศลครอบงําเนี่ยมันผิดศีลห้าไม่ได้ฉนั้นพวกเราหัดนะหัดมีสติคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆถ้าใจของเราเกิดกิเลสอะไรขึ้นมาคอยรู้ทันใจเกิดกิเลสคอยรู้ทันนะฝึกอย่างนี้นะไม่ได้ยากอะไรใครว่ายากมีไหมใครว่าดูจิต ด, ดูใจรู้ทันกิเลสตัวเองยาก ใครรู้จักโกรธใครไม่เคยโกรธมีไหมไม่มีเนาะใครไม่เคยโลภมีไหมใครไม่เคยฟุ้งซ่านใครไม่เคยหดหู่ใครไม่เคยหลังเลสงสัยไม่มีใครไม่รู้ว่าความสุขเป็นยังไงใครไม่รู้ว่าความทุกข์เป็นยังไงเรารู้ทุกอย่างนหะแต่เราครยรู้ทันอยู่ที่ใจเรานะถ้าใจเราโลภขึ้นมาเรารู้ทันใจเราโกรธขึ้นมาเรารู้ทัน ใ่เราฟุ้งซ่านขึ้นมารู้ทันใจหดหูก็รู้ทันใจสงสัยขึ้นมาก็รู้ทันใจเป็นยังไงคอรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตที่ใจเราเรารู้ทันบ่อยๆกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้เพราะกิเลสจะแพ้สติสติเป็นตัวรู้ทันนะอย่างความโกรธเกิดขึ้นในใจปุ๊บพอเรารู้ทันว่าจิตมันโกรธนะความโกรธจะก็เด็นหายไปต่อหน้าต่อตาเลยนี่เป็นเรื่องประหลาดนะ ถ้าคนภาวนาไม่เป็นนะก็รู้สึกว่าโอ้มันโกรธนะไม่รู้จะทํำยังไงก็จะโกรธนะคนพอมีถูกกิเลสครอบงําจิตนะจะทําชิตศรีง่ายอย่างพอความโกรธครอบงําจิตใช่ไหมก็ไปฆ่าเขาก็ได้ไปตีเขาก็ได้ไปด่าเขาก็ได้ไปเบียดเบียนเขาก็ได้ไปแกล้งลื้อบ้านเขาก็ได้นะไปทําลายทรัพย์สินเขาก็ได้แกล้งเขาได้ทุกเรื่องนี่เพราะความโกรธมันครอบงําจิตดูไม่ทัน ความโลภมันครอบงาจิตอยากได้ของคนอื่นอยากได้แฟนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอยากได้เมียคนอื่นอะไรอย่าถ้าเรามีสติรู้ทันนะเราไม่ไปขโมยใครไม่ไปผิดศีละเนี่ยให้เราฝึกอย่างนี้นะฝึกคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆเราจะมีศีลศีลจะเกิดง่ายถ้าเราไม่มีสติรู้ทันใจแป๊บเดียวใจฟุ้งสัน้นพอรับศีลเสร็จนะก็ฟุงนะ้งละฟุ้งก็คุยใช่ไหม จอจ๊กแจ๊กแจ๊กแแเทพแข่งกับพระนะี mm hmm. พอเริ่มต้นกับอารัธนาศีลอารัธนาศีลเสร็จพระเริ่มเทศเราก็เทศแข่งคุยนะเรื่องโน้นเรื่องนี้นะพอพระเทศจว่าษาทุได้บุญลนะ <c oughs> บุญอะไรมันง่ายปา่นมันวะใ <c oughs> ครรู้ทันใจตัวเองนะไม่ใช่เรื่องยากหลวงพ่อสอนลูกเล็กเด็กแดง หากดูจิตดูใจตัวเองไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันรู้บ่อยๆ อ, อ่ะศีลมันมาเองใครเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อคำเขียนนะเออเคยได้ยินไหมใครเคยเจอมีไหมก็เยอะเหมือนกันนะสาธุเลยสาธุหลาย ๆ, ๆรอบเลยนะ <c oughs> หลวงพ่อ เ, เคยคุยกับท่านนะท่านท่านเล่าให้ฟังว่าท่านไปเทศที่แห่งหนึ่ง ท่านกเทศบอกให้มีสติอย่างนั้นอย่างนี้นะประเทศจบคนรจไปว่าท่านเทศอะไรมีแต่เรื่องมีสติทําไมไม่เทศเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเนี่ยท่านก็หัวเราะนะโอ้อาจารย์ประโมชเขาพูดก็ถูกของเขานะแต่เราก็ถูกแบบของเรานะถ้ามีสติก็มีศีลนะมีสติก็มีสมาธิมีสติถึงจะมีปัญญาได้ขาดสติตัวเดียวไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาหรอก คนฟุ้งซ่านจะมีศีลเล้อแป๊บเดียวศีลก็ขาดแล้วคนฟุ้งซ่านสมาธิไม่มีหรอกคนฟุ้งซ่านจะเจริญปัญญาได้ไงทําไม่ได้งั้นพวกเราค่อยๆฝึกนะฝึกให้เรามีสติจะได้ไม่เป็นคนโรคโลกนะให้มีสติคอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆกิเลสเกิดขึ้นที่ใจกูศนละเกิดขึ้นที่ใจมักผลเกิดขึ้นที่ใจของเราเราค่อยมีสติรู้ทันจิตใจของตัวเองเรื่อยๆไป ถ้าหัดดูหัดรู้บ่อยๆนะสักเดือนสองเดือนสามเดือนเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างมหาศาลเยลยกล้าท้าเลยนะคนเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อสอนให้รักษาศีลห้าเพอรักษาศีลห้าแล้วค่อยๆมีสติคอยรู้ทันจิตตัวเองนะศีลจะค่อยๆดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปรักษาศีลเนี่ยเป็นเรื่องง่ายเลยเพราะรักษาที่ใจไม่ใช่รักษาที่มือที่เท้าที่ปากรักษาที่ปากรักษาญาบรู้สึกไหมปากมันไว ปากไปชูช่ๆไปลล้วเรื่องคนอื่นเนี้ยใป ม, มากเลยงั้นเรารักษาที่จิตนะ ร, รู้ทันจิตจิตเกิดกิเลสอะไรรู้ทันรู้ทันไปได้ไม่ยากไม่ยากอะไรฝึกเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วก็จะรักษาศีลได้ดีขึ้นศีลเราจะสะอาดหมดจดขึ้นหถ้าจากนั้นเรามาพัฒนาตัวเองให้สูงกว่านั้นอีกมีศีลละมีทานมีศีลมละมหาภาวนา การภาวนาเนี่ยชื่อมันน่ากลัวความจริงมันเจริญนั่นเองเจริญสติเจริญปัญญานั่นเองการภาวนานมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐานส่วนหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานการทำสมถกรรมฐานเนี่ยจริงๆไม่ใช่ยากอะไรเป็นการพักผ่อนใจใจของเราวุ่นวายตลอดวันตลอดคืน รู้ทันไหมใจมันรุ่นทั้งวันทั้งคืนนึก อ, ออกไหมหาความสุขหาความสงบไม่ได้หรอกเรามานั่งหายใจเข้าหายใจ อ, ออกนะรู้ลมหายใจอะไรไปก็ไม่ค่อยจะสงบง่ายสงบก็ประเดี๋ยวกรดาวเดี๋ยวก็ฟุ้งอีกละ่นะหรือท่องพุโทโธดูท้องคองยุบขยับมือทําจังหวะนะอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้แต่ว่ามันต้องมีเคล็ดลับนะใจถึงจะสงบง่าย ใจที่ไม่สงบเพราะอะไรเพราะว่าใจนี้แสบสายเที่ยวสแสวงหาอารมณ์ที่มีความสุขใจของเราเที่ยวหาความสุขตลอดเวลานึกออกไหมอย่างเราจะไปดูหนังก็อยากได้ความสุขเห็นไหมดูหนังเสร็จแล้วจะต้องไปหาอะไรกินต่ออีกก็หวังว่ามีความสุขเห็นไหมกินเสร็จแล้วอิ่มเกินไปอยากให้หายอิ่มอีกแล้วอยากมีความสุยอีกแล้พอหายอิ่มหน่อยเอาอยากไปเที่ยวต่ออยากไปโน้อนอยากไปนี่ต่อ ใจเรามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาจริงๆมันอยากได้ความสุขนะสแล้วแสวงหาความสุขตลอดชีวิตเลยนะความสุขก็เป็นของแปลกเหมือนเหมือนจะหยิบมาได้นะแล้วก็หลุดมือไปทุกทีนะเหมือนเหมือนจะจับได้นะก็หนีไปทุกครั้งนะหายไปแปบบ๊แบๆบแบบต่อหน้าต่อตานะทาไงก็ไม่เต็มไม่อิ่มในความสุขนะหาไม่ได้ใจก็เลยดิ้นไปเรื่อยทําอย่างนี้น่าจะมีความสุขทําอย่างนี้น่าจะมีความสุขนะนั้นใจไม่สงบ เทียววิง่งเล่าๆตลอดเวลาน ะ, ะแสวงหาอารมณ์ที่มีความสุขนี่ถ้าเราหาอารมณ์ที่มีความสุขมาป้อนมันซะเองเรามาเลือกดูนะถ้าคนไหนท่องพุทโธแล้วมีความสุขเรามาท่องพุทโธมาล่อให้จิตมาอยู่กับพุทโธนะท่องพุทโธแล้วมีความสุขจิตจะไม่หนีไปจากพุทโธบางคนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนะจิตจะไม่หนีไปจากลมหายใจตัวนี้คือเคล็ดลับของการทําสมถะกรรมฐาน หลวพ่อถักทำสมถะกรรมฐานตั้งแต่เจ็ดขวบทําอานาปนานสตินั่นแหละหายใจเข้าหายใจออกเรื่อยๆทํามาตั้งแต่เจ็ดขวบแต่กว่าจะจับหลักได้จับเคล็ดลับได้นะก็ฝึกกันนานเคล็ดลับที่จะทําให้ใจเราสงบนะต้องมีความสุขเพราะในอภิธรรมเนี่ยสอนความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิมีความสุขนะจิตจะมีสมาธิขึ้นมาจิตจะไม่ฟุ้ง พระจิตที allora is, be, Hola.. a a a ่ฟุ้งไปก็เพราะว่ามันเที่ยวหาความสุขแล้วมันหาไม่ได้งั้นเรามาเลือกเอาทุกคนนะต้องเลือกเอาถ้าคนไหนอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขเราอยู่กับพุทโธคนไหนอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขเรามาอยู่กับลมหายใจคนไหนดูท้องฟองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องฟองยุบคนไหนรู้อิริยาบทสีแล้วมีความสุขนะรู้อิริยาบทสีคนไหนขยับมือทําจังหวะใย่างอาจพลเนี่ยขยับทําจังหวะ ทำแล้วจิตมีความสุขจิตก็สงบเคล็ดลับอยู่ที่ต้องทำอย่างมีความสุขอย่าไปบีบไปเข้นจิตถ้าพวกเราคิดถึงการทำสมถะปั๊บแล้วเราคบเข้นจิตทันทีนะทำหน้าให้ดูเนี่ยสมมติจะเริ่มหายใจแล้วเนี่ยอย่างนี้ชาตินึงก็ไม่สงบนะเพราะอะไรจิตไม่มีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิให้เกิดความสงบนะ ้เลือกนะเลือกอารมณ์ที่มีความสุขแต่ไม่ใช่สุขแล้วเรื่อยเชื่อไปตามโลกนะอารมณ์นั้นต้องไม่ย่อกิเลสถ้าเล่นไพ่แล้วมีความสุขไม่เอานะออหรือตกปลาแล้วมีความสุคนี้ไม่เอาดูบนโลกมีความสุขไหมมีสมาธิไหมดูบนโลกเมียมาคุยด้วยยังไม่ได้ยินเลยนะหรือเล่นไพ่มีความสุขนะตำรวจจับเพื่อนไปหมดแล้วยังไม่รู้เลยวจะดูว่าจะจัวตัวไหนอย่างนี้นะเนี่ยถ้าสมาธิชนิดนี้ไม่เอานะ อารมณ์ชนิดนี้ไม่เอาเราเอาอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสคิดถึงพระพุทธเจ้าคนไหนรักพระพุทธเจ้ามากคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆเรียกว่าพุทธานุสติคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็มีความสุขอย่างหลวงพ่อมีวิธีทําสมาธิที่ง่ายๆเวลาเรากราบพระนะเรากราบกับต้นไม้ก็ได้ถ้าเราไม่มีพระพุทธรูปให้กรนะาบนะกราบกับต้นไม้ก็ได้แต่ใจของเราอะ่ะคิดนะคิดขึ้นมาทําความรู้สึกขึ้นมา เมื่อเรากราบอยู่แทบเช้าพราะพุทธเจ้าคิดอย่างนี้นะเวลากราบพระจิตจะเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมาได้สมาธิฉับพลันเลยนะง่ายๆแค่นี้เองนั่นะเคล็ดลับที่จะทําสมาธิแต้องทําด้วยความสุขนะเราต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสสมาธินั้นมีสองชนิดชนิดหนึ่งมีความสุขแล้วก็มีความสงบนะสมาธิชนิดที่หนึ่งนสงบจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตเป็นหนึ่ง ไม่ร่อนเร่ไปที่นอนที่นี่อยู่ในอารมณ์อันเดียวอารมณ์เป็นหนึ่งจิตก็หนึ่งอารมณ์ก็หนึ่งนะทีก็เข้าไปเกาะอยู่ด้วยกันเลยแนบเพราะไปอยู่ด้วยกันนี่คือสมถกรรมฐ า, านภาษาปริยัติเขาจะเรียกว่าอารัมมานูปนิชานการเพ่งตัวอารมณ์จิตกับอารมณ์เนี่ยเข้าไปเกาะเป็นอันเดียวกันเป็นตัวเดียวกันเท่าที่หลวงพ่อสังเกตดูนะสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยค่อ ย, ค, อ ย, ค, อยค่อยเปลี่ยนละ ใช่ไม่ก่อนเข้าไปที่ไหนเจอคนทําสมาธินะจะเพ่งให้จิตแนบอยู่ในอารมณ์มันเดียวเลยเอาให้นิ่งเข้าว่าเลยคิดว่านิ่งแล้วจะเกิดปัญญาคนละเรื่องกันสมาธิที่ทําให้เกิดปัญญาไม่ใช่สมาธิที่จิตไปดเกาะนิ่งๆอยู่ในอารมณ์มันเดียวสมาธิอย่างนั้นเอาไว้นอนพักผ่อนทําให้จิตพักผ่อนจิตมีเรี่ยวมีแรงมีความสุขสดชื่นสดชื่นแล้วก็กลับมาทําอีกพอใจไม่ยอมไปไหนเลยทั้งชาตินะติดอยู่ที่เดิมนั่นแหละมีแต่ความสุขอย่างเดียว นั้นภาวนาแล้วมีแต่ความสุขภาวนาแล้วมีแต่ความสงบไม่เดินปัญญานะอย่างนั้นใช้ไม่ได้มันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะมีชื่อเพราะเพราะว่ า, าลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานเนี่ยจิตไม่ใช่สงบอย่างเดียวแต่จิตตั้งมั่นจิตถอนตัวเองออกจากปรากฏการ์ของรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายจิตถอนตัวเองออกจากโลกของความคิดไม่อยู่ในโลกของความรู้สึกตัวนะอย่างเมื่อเช้าอาจรารย์คำพลิคงสอนมาั่งเรื่องรู้สึกตัว พูดไหมใครฟังบ้างใครเข้าใจบ้างฟังน่ะฟังง่ายนะเล่องภาวนาข้างนานกว่จะเข้าใจความรู้สึกตัวคนในโลกไม่รู้สึกตัวเชื่อไหมแปลกนะคนในโลกไม่มีความรู้สึกตัวมีแต่ความหลงตื่นขึ้นมาก็คิดคิดคิดคิดไปเรื่อยจิตไปอยู่ในโลกของความคิดไม่ใช่จิตอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวจิตหลงอยู่กับความคิดตลอดเวลานี ถ้าเราอยากให้จิตกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเป็นผู้รู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยให้รู้ทันว่าจิตมันคิดนะให้รู้ทันว่าจิตมันคิดเบื้องต้นอาจจะหาอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งขึ้นมาสักก่อนก็ได้นะเช่นจะพุโทโธก็ได้จะหายใจก็ได้ทาขยับมือทำจังหวะก็ได้ดูท้องพ่องยุบก็ได้ใช้อารมณ์อันเดียวกับที่ทำสมถะนั่นแหละ แต่ปรับนิดเดียวไม่ใช่ให้จิตไปจ อ, อนิ่งๆอยู่ในอารมณ์นะถ้าจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วจ อ, อนิ่งอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างเนี้ได้สมถะเราหาอารมณ์มาหนึ่งมาทำซะก่อนนะพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้ของยกก็ได้ทําจังหวะก็ได้ะขยับมือแล้วค่อยๆสังเกตไปพุโทโธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าหรือร่างกายที่หายใจอยู่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ร่างกายที่พองที่ยุคเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าหัดอย่างนี้ก็ได้ค่อยๆหัดไปจิตจะค่อยๆถอนตัวออกมาเป็นคนดูะจิตจะค่อยๆถอนตัวมาเป็นคนดูนะแต่วิธีที่ง่ายๆนะง่ายๆมากๆเท่าที่สำรวจมารู้ทันว่าจิตคิดรู้ทันเลยจิตแอบไปคิดทั้งวันพวกเรารู้ไหมจิตแอบไปคิดทั้งวันจิ ต, ไ ป, จตไปคิดทั้งวันเรารู้อะไรรู้เรื่องที่จิตคิดใช่ไหมเราไม่รู้ทันว่าจิตกําลังคิดอยู่ เนียความต่างอยู่ตรงนี้เองตรงที่รู้ว่ารู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยเป็นรู้สมมุติบัญญัติไม่รู้สมมติบัญญัติเรื่องราวที่คิดจิตจะไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตคิดนะรู้ว่าจิตตอนนี้ยจิตแอบไปคิดละทันทีที่รู้ว่าจิตคิดจิตจะรู้จิตจะเปลี่ยนเป็นจิตรู้จิตคิดจะดับจะเกิดจิตรู้ขึ้นมาแทนตัวนี้จะเข้าใจยากนิดนึงเรามาทดลองดูสังเกตตัวเอง ตอนที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยสังเกตไหมบางเวลาก็มองหน้าหลวงพ่อบางเวลาก็ตั้งใจฟังสังเกตไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวฟังก็สลับกับการคิดตลอดเวลาดูออกไหมฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะเนี่ยหลวงพ่อหยุดพูดรู้สึกไหมใจแอบไปคิดนี่เราคอยสังเกตให้ดีนะในตอนนั่งฟังเทศอยู่แท้ๆเนี่ยเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิด เราใช้อายตนะสามัญสลับกันตลอดเวลานะเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดถ้าเมื่อไรจิตไปชิดเรารู้ว่าจิตคิดนะจิตตื่นจิตจะตื่นขึ้นมาจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเมื่อจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดในฉับพลันนั้นเลยนะแต่หลุดออกมาประเดี๋ยวหนึ่งก็กลับไปคิดใหม่คิดใหม่รู้ใหม่นะมีมภาคการเมืองบอกคิดใหม่ทำใหม่ใช่ไหม เราเอาใหม่นะเราคิดใหม่รู้ใหม่คิดเรารู้คิดเรารู้คิดเรารู้ไม่ห้ามอย่าไปห้ามจิตคิดนะจิตมีหน้าที่คิดเราไม่ได้ฝึกตัวเองให้กลายเป็นต้นไม้และก้อนหินเพราะฉะนั้นจิตมันคิดก็แค่รู้ว่าจิตมันคิดทันทีที่รู้ว่าจิตคิดจิตรู้จะเกิดขึ้นเนี่ยจิตที่รู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราเคยได้ยินไหมสวนมนต์ที่นี่องสวนมนต์แปลใช่ไหม พระสายหลวงพ่อพุทธาตสายหลวงพ่อปัญญาจะสวมดมนต์แปลยพุโทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ไหมมีการแปละนั่นแหละเราจะฝึกนะถ้าเรารู้ทันว่าจิตคิดจิตรู้จะเกิดเนี่ยตัวจิตพุโทโธตัวจริงเกิดขึ้นแล้วพอจิตรู้เกิดขึ้นตรงนี้แหละเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญานะการเจริญปัญญาจะทําได้ถ้าจิตของเราเป็นผู้รู้ขึ้นมา ถ้าจิตเป็นผู้คิดอยู่จะเจริญปัญญาไม่ได้จริงหอกมันจะคิดรูปเดียวเลยปัญญาที่เกิดจากการคิดมีเหมือนกันเรียกว่าจินตามายาปัญญาล้างกิเลสไม่ได้จริงอรอกนะเดี๋ยวเดียวกิเลสก็เอาไปกินใหม่นะคิดอย่างเราคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอาสุพะอันนี้สมถกรรมฐานนะคิดแล้วสงบคิดแล้วสบายแต่ไม่เกี่ยวกับการเดินปัญญาจริงๆการเดินปัญญาจริงๆเลยขั้นการคิดไปในขั้นขั้นรู้สภาวะ แล้วเราค่อยๆฝึกขั้นแรกเลยพวกเราสรุปก่อนนะหนวงพ่อเทศแล้วข้อมูลมันเยอะเนื้อหามันเยอะเดี๋ยวพวกเราจําไม่ไหวเอาง่ายๆเลยขั้นแรกรักษาสีห์ห้าไว้ก่อนพอรักษาศีล์ห้าได้แล้วเนี่ยค่อยมีสติรู้ทันจิตตัวเองกิเลสเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันนะศีห์จะบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆถัดจากนั้นรู้ทันจิตให้ลึกซึ้งขึ้นอีกจิตแอบไปคิดรู้ทันจิตแอบไปคิดรู้ทันตรงนี้หลยจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมานะ มีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตจะได้ศีลมีสติรู้ทันจิตที่หลงไปจิตจะได้สมาธิชนิดที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาลไม่ใช่สมาธิชนิดสงบนะสมาธิชนิดที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาลเนี่ยแตกต่างกับสมาธิที่ใช้ทําสมถะสมถะเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเกาะเข้าไปด้วยกันนะส่วนสมาธิชนิดที่สองเนี่ย จิตเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อารมณ์เป็นแสนอารมณ์ล้านอารมณ์ก็ได้นะไม่ใช่อารมณ์อันเดียวอารมณ์นานาชนิดเลยนไหลผ่านไปเป็นปรากฏการของรูปธรรมบ้างของนามธรรมบ้างผ่านหน้าเราไปตลอดเวลาใจเราเป็นแค่คนดูเราฝึกเป็นคนดูนะเห็นร่างกายมันทํางานใจเป็นคนดูเห็นไหมร่างกายก็เป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเห็นอีกความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะ ปวดเมื่อยมากๆจิตทุรนทุรายกระสับกระส่ายเห็นไหมเรารู้ทันอีกความกระสับกระส่ายทุรนทุรายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าหัดอย่างนี้เรื่อยๆหัดไปหัดไปเราจะเห็นเลยว่าร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยก็เป็นส่วนหนึ่งความทุรนทุรายของจิตก็เป็นส่วนหนึ่งตัวที่รู้อารมณ์ตัวจิตที่เป็นผู้รู้อารมณ์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะเป็นอีกส่วนหนึ่งตรงนี้แหละ มันเป็นจุดตั้งต้นของการที่จะเดินปัญญาเดินวิปัสสนาปัญญาต่อไปเรามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเราเห็นขันขันห้าสวดมนจําได้ไหมรูปู ป, ปาทานักขันโทขา น, นั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปใช่ไหมเวทนปปาปาทานขันโทขานั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญาปาทานักขันโทขา น, นั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาคือสังขารคือบิญฑาณใช่ไหมที่เราสวดสวดกันนะ เราต้องมาหัดจนกระทั่งเราเห็นัขันเนี่ยแยกตัวออกมาเป็นข ONEY ันขันเลยรูปส่วนรูปเวทนาส่วนเวทนาสัญญาส่วนสัญญาสัขงขารส่วนสังขารสังขารเช่นความปรุงดีความปรุงชั่วทั <ule> ้งหลายนะแล้วก็จิตส่วนจิตจิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยค่อยๆฝึกจนกระทั Hawaii ่งใจมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วขันมันจะแยกตัวออกใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วขันมันจะแยกตัวออกเราไปฝึกดูนะ้นขั้นแรกฝึกให้ใจตั้งมั่นให้ได้ก่อน วิธีฝึกให้ใจตั้งมั่นอ่ะคอยรู้ทันจิตหนีไปคิดคอยรู้ทันจิตหนีไปคิดคอยรู้ทันทําอย่างจัจทร์กำพลก็ได้จันทร์พลขยับมือไปเงี้ยนะขยับมือไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูดูไปดูไปจะเห็นเลยร่างกายกับใจนี่คนละอันกันนะเพอะร่างกายกับใจคนละอันกันจะเห็นได้ชับพันนั้นเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่คดไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วเป็นแค่รูปธรรมอันหนึ่งที่เกิดขึ้น ถ้าความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายก็ดีความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นในใจก็ดีเราเป็นคนดูเฉยๆเราจะเห็นเลยความสุขก็ไม่ใช่ตัวเรานะความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราความเฉยๆก็ไม่ใช่ตัวเรามันเห็นของมันเองหรือกุศลกุศลเกิดขึ้นเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นในใจไม่เกิดที่กายแต่เกิดที่ใจพอความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นมาในใจเรามีสติรู้ทันใจตั้งมั่นเป็นคนดู มันจะเห็นในฉับพลันนั้นเลยว่าความโกรธไม่ใช่เราความโลภไม่ใช่เราความหลงไม่ใช่เราเป็นสภาวะธรรมที่แปลปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป น, นี่ฝึกไปเรื่อยนะสุดท้ายเราจะเห็นขันทั้งหมดเลยเกิดแล้วดับมาแล้วก็ไปอย่างจิตที่เป็นผู้รู้ละ่ะดูยังไงจิตเป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเป็นผู้คิดพอ ร, รู้ทนันก็กลายเป็นผู้รู้เห็นไหมจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้คิดก็ไม่เที่ยงแสดงใจรักเหมือนกับขันอย่างอื่นนั่นแหละนะ ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนๆกันหมดเลยนะจำบททำบัดเช้าได้ไหมท่านสอนให้ดวนนิจังทุกขอังอนัตตาใช่ไหมสวดซิว่าไหมเอาละว่า <c oughs> รูปังอนิจจังมเมตนาอนิจจาใช่ไหมสัญญาอนิจจาสวดทุกวันทุกวันสวดแล้วลืมเนะนี่ยการที่เราเห็นขันนะแยกตัวออกไปแล้วขันแต่ละขันเนี่ย แสดงอนนิจจังทุกขังอนัตตาให้ดูมันจะเห็นว่าขันไม่ใช่เราหรอกนะที่เราสวดมนต์กันแทบเป็นแทบตายนะั่นสำคัญมากเลยนะที่เราสวดกันหลวงพ่อชอบที่สุดเลยหลวงพ่อภาวนามาได้ทุกวันนี้ก็เพราะบทสวดมนต์ของส่วนโมกของหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อพุทธทาสนี่แหละสอนให้เรารู้จักแยกขันแล้วดูขันเป็นไตรลักษณ์การที่เราเห็นขันเป็นไตรลักษณ์อันนั้นแหละคือวิปัสสนากรรมฐานแหละนะเรากลัวคําว่าวิปัสสนาไม่รู้ว่ามันคืออะไร ที่เราสวดๆนั่นแหละสอนีิปั ส, สนาเรารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่นั่งคิดเอานะเวลาปฏิบัติเนี่ยมีสติรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะนำมาทำทั้งหลายเกิดขึ้นรู้สึก จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเคล็ดลับอยู่ตรงที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่เองถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วก็ขันห้าจะแสดงไตรลับให้ดูต่อหน้าต่อตาเลยไม่ต้องคิดเลยจะเห็นทันทีเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เราอย่างคนที่เรียนกับหลวงพ่อใครเคยฟังซีดีหลวงพ่อบ้างมีไหมโอ้ลูกค้าเยอะเลยในซีดีเขาส่งกันบ้านกัน ส่งกันบ้านเขาพูดเรื่องแยกคาดแยกขันเนี่ยเยอะเลยรู้สึกไหมหลังๆนะหลังๆเนี่ยพูดเรื่องแยกคาดแยกขันเนีเยอะเลยส่งกันบ้านขันแยกตัวไปรูปส่วนรูปเมทนาส่วนเมตนาสัญญาส่วนสัญญาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตแยกออกไปแล้วขันแต่ละขันไม่มีเราอย่างบางคนก็เล่าบอกกําลังแปลงฟันอยู่แปลงฟันแปลงฟันอยู่รู้สึกวับขึ้นมาร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่คนละไม่ใช่เราละ เป็นตัวอะไรตัวหนึ่งเท่านั้นเองถ้าจะใส่ชื่อมันก็คือเป็นรูปนั่นเองนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่กับเห็นเองนะเห็นเองถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ไม่เราต้องฝึกนะแรกรักษาศีลนะโดยการมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิด ท, ที่จิตอันที่สองมาฝึกสมาธิสมาธิถ้าต้องการพักถอนน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขนะอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะที่มีความสุข ถ้าจะใช้สมาธิที่เดินปัญญาหากรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะถ้ารู้ทันจิตที่หลงไปคิดจะเกิดสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิที่จิตถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นล้านอารมณ์ก็ได้นะจิตเป็นหนึ่งเห็นอารมณ์นั้นไหลผ่านหน้าเกิดดับอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเลยนี่แหละเดินปัญญามันเดินกันตรงนีนะ้อารมณ์ทั้งหลายที่เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมทั้งหลายขันห้านั่นแหละเป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าจะเห็นไตรลักษณ์ ถ้าเราเห็นไตรลักมากเข้ามากเข้านะจิตยอมรับความจริงได้ตัวเราไม่มีในขันห้านี้ไม่มีตัวเราเลยไม่มีตัวเรานอกเหนือจากขันห้านี่แหละที่เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วดวงตาเห็นธรรมก็คือใจมันยอมรับความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีนะนี่เพราะเราค่อยๆฝึกนะฝึกไปเรื่อย ถัดจากนั้นก็ค่อยเจริญสติอย่างเดิมนั่นแหละดูธาตุดูขันดูกายดูใจมันทํางานแบบเดิมนั่นแหละสติปัญญาค่อยแก่รอบมากขึ้นมากขึ้นนะมันก็ล้างกิเลสเป็นลำดับลาดับไปเพวกเรามีบุญวาสนาเราเกิดมาในแผ่นดินที่พระพุทธศาสนายังดํารงอยูย่แล้วเราเรล่องสนใจศึกษาสนใจที่จะฟังทำนั้นเราพัฒนามาได้เยอะละเราเป็นคนที่มีคุณภาพไม่ใช่คนโรกโลกล่ะ ถัดจากนี้เราทําตัวให้เป็นคนเหนือโลกไม่ใช่แค่ลกโลกนะเหนือโลกมันเลยแล้วดูซิมันจะลกได้ยังไงเหนือโลกได้เนี่ยเหนืออะไรคือโลกรูปนามคือโลกรูปธรรมนามธรรมคือตัวขันห้านั่นแหละคือตัวโลกงั้นเรามาภาวนาจนจิตเราถอนตัวออกจากขันเราจะไม่เป็นคนลกโลกอีกต่อไปแล้วเป็นคนเหนือโลกค่อยๆฝึกนะ อย่างหัดมาพักหนึ่งแล้วรู้สึกไหมจิตกับอารมณ์เริ่มแยกออกจากกันใครทําตัวนี้ได้บ้างยกมือให้ดูสินะจิตกับอารมณ์แยกตัวออกจากกันยกมือสูงๆหน่อยคนที่เขายังทําไม่ได้เขาจะได้มีกําลังใจบ้างไม่ใช่หลวงพ่อบ้าอะไร่าพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้นะทําไม่ได้หรอกไม่มีมนุษย์ที่ไหนทําได้หรอกหลวงพ่อเคยเจอญาติๆกันหลวงพ่อบอกมีสติไว้นะคอยรู้ทันจิตนะบอกฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่ใช่เทวดา โธ้เราก็นึกนะเทวดาก็ทําไม่ได้เอมนุษย์นี่แหละต้องทําให้ได้นะงั้นขั้นแรกสรุปนะมีทานมีศีลมีภาวนาภาวนามีสองส่วนส่วนที่ฝึกสมาธิและส่วนที่เจริญปัญญาส่วนที่ฝึกสมาธิแยกออกเป็นสองส่วนฝึกให้สงบ ก, กับฝึกให้ตั้งมั่นฝึกให้สงบเนี่น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวที่มีความสุขฝึกให้ตั้งมั่นเนี่ยรู้ทันจิตที่ลงไปกิด ะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยต้องเดินปัญญาด้วยการดูขันห้ามมันทํางานแยกธาตุแยกขันไปเรื่อยดูขันมันทํางานไปเรื่อยถ้าเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกถึงจุดหนึ่งจิตจะยอมรับความจริงว่าขันไม่ใช่ตัวเรานถ้าอย่างนั้นเรียกว่าเราได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ววันนี้เอาแค่ดวงตาเห็นธรรมกพอแล้วเนาะถ้าทําได้อย่างเนี้ยไม่โรคโลกเหนือโลกด้วยเหนือโลกเป็นยังไงโลกนี้ก็ทุกข์อย่างโลกนี้แหละ แต่เราไม่ทุกกับโลกนะนะร่างกายนี้แปรปรวนไปแก่ไปเจ็บไปตายไ ป, ไปร่างกายเราเนี่ยโลกนะเป็นรูปรูปธรรมตัวตัวโลกนะความรู้สึกทั้งหลายในใจเราจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วลนะ้วนแต่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะเนี่ยถ้าเราฝึกมากเข้ามากเข้าใจเราจะถอนตัวออกจากสิ่งเหล่านี้ใจจะเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างนะรูปจะแก่จะเจ็บจะตายใจก็เป็นกลางนะ จิตจะสุขจิตจะทุกข์จิตจะดีจิตจะชั่วใจก็เข้าสู่ความเป็นกลางลค่อยๆถอนตัวออกจากโลกฝึกไปเรื่อยจะเห็นนะร่างกายกับจิตห่างออกไปใครที่ฝึกแล้วเห็นร่างกายกับจิตแยกออกจากกันได้บ้างตอนนี้ชุ้มมือหน่อยซิแกงง่วงตอนบ่ายนะโอ้ยฟังซีดีภาษาอะไรแยกไม่ออกบังแล้วแยกให้ออกนะอันแยกเข้าไป ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะวัถ้าไม่แยกธาตุแยกขันนะอย่ามาพูดเรื่องปัญญาไม่มีหรอกนะนี่หลวงพ่อเรามันึกนึกต่อนะถ้าไม่มีสตินะอย่ามาอวดเรื่องรักษาศีลเลยถ้าไม่มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะอย่ามาอวดว่าทำสมาธิเลยถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นนะอย่ามาอวดว่าจเจริญปัญญาเลยนะ ฝึกดังนี้นะฝึกไปให้มันมีสติมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาไม่รกโลกนะจะเหนือโลกด้วยซ้ําไปถัดจากนั้นเราก็ทําตัวเป็นประโยชน์กับโลกนะเห็นคนที่เขาจมอยู่ในความทุกข์นะก็ไปบอกเขาบ้างถ้าเขาสนใจถ้าเขาไม่สนใจก็ปล่อยให้เขาจมไปอย่างเดิมแต่เราอย่าไปทําให้เขาจมมากกว่าเก่าแล้วกันนบางคนมันไปเอาเปรียบคนอื่นนะทําให้เขาทุกข์มากกว่าเก่าเพวกเราตั้งใจไว้อย่างนะถึงเราไม่ได้ทําความดีอะไรมากมายนะเราอย่าไปทําให้คนอื่นเขาทุกข์มากขึ้น ตั้งใจเลยแค่นี้นะแค่นี้ก็ไม่ลกโลกแเราล่นะแค่นี้ก็พอมัง้งนะเทศมาหลายนาทีแล้วกี่นาทีแล้วสี่สิบห้านาทีฮะอีกหน่อยเราไม่ใช่นักร้องลูกทุ่งนะมาขอเพลงเพิ่มใ <c oughs> ส่เกตดูใจที่มีความสุขดูออกไหมแต่เป็นความสุขที่ประกอบด้วยความหลงดูออกไหม เวล้ามีความสุขนะแต่มันลืมตัวเองมันลืมกายมันลืมใจนะเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจเมื่อนั้นขาดสติเนี่ยแป๊บเดียวก็ผิดศีลแล้วก็เมาส์กันเมาส์แตกน ะ, ะรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวรู้ทันใจของเราบางคนบอกไม่ชอบดูจิตเบางคนว่าไม่ชอบดูจิตพวกนี้ไม่เข้าใจ หลักสูตรที่พระพุทธเจ้าวางไว้ให้เรานะสามบทเรียนนียศีลสิกขาบทเรียนที่หนึ่งเห็นไหมจิตสิกขาบทเรียนที่สองปัญญาสิกขาบทเรียนที่สามนะต้องมีสามบทเรียนนะถึงจะถึงมิมุติหลุดพ้นได้ศีลสิกขาเนะี่ยเราเรียนตั้งแต่ศีลอยับหยาบเนะี่ยถือศีลห้าไว้เจอทั้งเกิดศีลอัตโนมัติโดยการที่มีสติคุ้มครองจิตนะมีสติรู้ทันจิตได้กิเลสครอบงมจิตได้ศีลอัตโนมัติเกิดนะ บทเรียนที่สองจิตศิกขาคือการเตรียมความพร้อมของจิตเพื่อการเจริญปัญญานะต้องต้องเตรียมความพร้อมเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพไปเจริญปัญญาเขาไม่ได้กินหรอกจิตโง่โง่จิตโง่งงอย่างนั้นจะไปเจริญปัญญาได้ยังไงนะจิตต้องมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาอันแรกเลยมีกําลังกําลังของจิตนี่นเกิดจากสมถนะจิตสงบอยู่ในลมันเดียวได้กําลังอันที่สองจิตตั้งมั่น จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเห็นปรากฏการของรูปธรรมนามธรรมทำงานนะตรงที่จิตตั้งมั่นนี่แหละจิตมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญางันะ้รู้ทันนะรู้ทันไนวะ้จิตชนะิดนั่นแหละดีหลวงพ่อเทียนก็เคยสอนนะว่าถ้ารู้ว่าจิตชิตจะได้ต้นทางของการปฏิบัติการปฏิบัติของท่านก็คือการเจริญปัญญา น, นั่นเองถ้าพวกเราชาวพุทธชิงปัญญามีแต่ทำทานมีแต่รักษาศีลอะไรแค่นี้นะน้อยไปศา ส, สนาอื่นก็มีไม่ใช่ศาสนาเรามีคนเดียวหรอก แต่ในขั้นเจริญปัญญาไม่มีใครเหมือนนะที่จะมาสอนให้เรารู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจแยกธาตุแยกขันธ์รู้มันด้วยสติมีสติรู้รูปรู้นามรู้ธาตุรู้ขันธ์รู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่ใจทรงสมาธิอยู่สมาธิชนิดนี้เรียกลักหนงปนิชฌานะการเตรียมความพร้อมของจิตเนี่ยอันหนึ่งเตรียมให้มีแรงในการทาสมถะให้จิตสงบในรมันเดียว อันที่สองค่อยๆมาฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะเดินปัญญาต่อได้ัดนะพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วดูกายดูใจมันทํางานดูมันเป็นส่วนๆไปกายก็ส่วนกายเวทนาส่วนเวทนานะสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตนั้นค่อยๆหัดแยกไปเรื่อยๆนะกายกับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์คนละอันกันกายกับจิตคนละอันกันสังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงกับร่างกายก็คนละอันกัน ความโลภความโกรยความหลงกับเวทนาคือความสุขทุกข์ก็คนละนความโลภความโกรยความหลงกับจิตก็คนละนันนี่หัดแยกไปด้วยนะบางคนนะแค่จิตตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บมันขันมันกระจายตัวมันแยกเองเลยนะอันนี้สําหรับคนซึ่งเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติปางก่อนนะไม่ใช่ไม่มีนะหลวงพ่อสมัยเป็นนักศึกษานะอ่านหนังสือท่านจารย์พุทธทาสแบบโง่โงหนังสือท่านดีนะเราโง่นะไม่ใช่หนังสือท่านโง่นะ อ่านไปอ่านไปแล้วชุดตายแล้วศูนย์เนะี่ยหาไปโน่นเนะ่ยตายแล้วศูนย์เลยนะวันหนึ่งไปเจออาจารย์สุชีพปุญญาณุภาพอาจารย์สุชีปชบอกนั่นมันมิจฉาทิฏฐินะใครรู้ใครได้ยินชื่ออาจารย์สุชีิปุญญาณุภาพบ้างท่านเขียนพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนนะ่ะเรืยนั้นใครไม่มีไปหาซื้อนะไม่ใช่ใครไม่มีมาขอหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ห่วงว่ามีเล่มเดียว <laughs> ไปหาพกไว้นะ้าไว้อ่านบ้างนะท่านบอกอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินะ เลยไปหาวันนึงเพื่อไปกราบท่านอาจารย์พุทธทาสไปถามท่านท่านอาจารย์ตายแล้วศูนเหรอผมอ่านหนังสือท่านอาจารย์นู้นนึ้นก็ตายแล้วสูนย์ท่านบอกคุณเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเหรอนี่ท่านว่าอย่างนี้นะ <c oughs> นจริงคําสอนของครูบาอาจารย์นะท่านอาจารย์พุทธทาสหลวงพ่อปัญญานะ่ก็สุดยอดนะท่านก็พระชั้นหนึ่งชั้นดีเหมือนกันนะถ้าเราเข้าใจสิ่งที่ท่านสอนนะโอ้โอ ยอดเตียมมากเลยท่านอุตสาไปเขียนบทส่วนมนแปลให้นั่นแหละคือหลักวิธีทํากรรมฐานชัดๆเลยรูปูปาทานขันโธใช่หไหมเมตนปาปานขันโธนี่หัดแยกขันใช่ไหมเสร็จแล้วเห็นเลยรูปังอนิจจ์นะรูปังอนัตตาเนี่ยเห็นใจลับเนี่ยตรงเนี้วิปัสสนาไหมสวดกันแทบเป็นแทบตายเวลาลงมือปฏิบัติพลิกตําราไม่ทันนะ เพรั้นหลวงพ่อก็มาอธิบายวิธีพริกตำราให้ฟังเลยนะของครูบาอาจารย์นั่นแหละสายไหนสายไหนนะถ้าภาวนาเป็นมันลงที่เดียวกันหมดนะ่ะไม่แยกกันหรอกไม่ทะเลาะ ก, กันหรอกชาวพุทธเราชอบทะเลาะ ก, กันนะไม่รู้เป็นยังไงชอบทะเลาะ ก, กันเองเอา้าวเท่านี้พอนี่แถมให้แล้วนะแหมสาธุครับสาธุครับ ขอแม่ตาจ่าหลวงพ่อนะคะมีญาติธรรมที่อยู่ในที่นี้เป็นตัวแทนที่ถือว่ามีบุญในขณะนี้จะได้มีโอกาสส่งกันบ้านหลวงพ่อเป็นจำนวนสิบห้าท่านนะคะอยู่ด้านหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวขอโอกาสให้กับทั้งสิบห้าท่านได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะนี่คุณหมอดุริยาหรือใช่ไหม อ, หอ๋อนี่หละได้ยินแต่ชื่อว่อมามาสิบห้าท่านเชนิญกับเชิญแล้วครับท่านแรกครับ ตืนเต้นไหมน้อมสสรำสการพระคุณเจ้าทุกท่านนะครับหลังจากที่ผมได้ฟังซีดีของท่านพระอาจารย์ปาโมดนะครับก็ทํายว่าสึกว่าความทุกข์นะครับมันละนะความทุกข์ที่ตัวเองมีในใจนะครับมันก็ลดน้อยลงนะครับรู้สึกลุ่มใจไปฟังเพลงความทุกข์มัลดเหมือนกันจุดอัดครับตรงนี้แหละครับที่มันอ ะ, อะไรนะฟังไม่ออก ก็หลังจากที่ผมลงมือปฏิบัติตามที่ใน c ีดีที่ท่านได้สอนมาเนาะครับก็พบปัญหาอยู่สองอย่างด้วยกันนะครับคือว่าผมลองฟังดูแล้วเนี่ยทําให้ผมคิดว่าผมเนี่ยน่าจะจริตนิสัยเป็นแบบผสมนะครับก็เลยปฏิบัติโดยการบางครั้งก็เดินจงกรมบางครั้งก็นั่งสมาธินะครับ <ừ. S 1> แต่ปัญหาที่ผมได้พบเนี่ยมีสองอย่างที่อยากจะเรียนถามก็คือว่า จริตนิสัยในส่วนเนี้ยและแนวทางปฏิบัติที่ผมได้ปฏิบัติเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับจริตนิสัยนะก็แบ่งสองกลุ่มนะจริตนิสัยเพื่อการทําสมถะกรรมฐานเนี่ยพวกหนึ่งจริตนิสัยเพื่อการทําวิปัสสนาเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งนะจะเอาแบบไหนอ่ะสมถะหรือวิปัสสนาคือถ้าสมถะนะเราจะดูจริตมันจะมีหกจริตราคะจริตโทสายจริตโมหจริตเคยได้ยินไหม วิตกจลิตพุทธิจริตสัทธาจริตหกอันนี้เอาไว้ดูว่าจะทํำฌานกรรมฐานดรืย อ, อารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วสงบง่ายนะชเช่นโทษาจริตก็จเจริญเมตตาก็สงบง่ายนะราคะจริตพิจารณาอสุภาอะไรเงี้ยสงบง่ายนะแล้วจะดูอย่างนี้<ม>หรือฟุ้งซ่านมากอะไรมากนะมีโมหะอันนี้ก็ทําอาณาปณะสติอะไรเงี้ย น, นี่จะเลือก จริตหกอันนี้เอาไว้เลือกสมถะว่าจะใช้อารมณ์อะไรจริตที่ใช้เลือกอารมณ์ทำมิปัสนาเนี่ยมีสองจริตเองตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตเนี่ยพวกรักสุกรักสบายรักสวยรักงามนะรักความหลอ่อรักความหนุ่มตลอดการอะไรเงี้ยพวกนี้เหมาะที่จะรู้กายรู้เวทนาเพราะกายกับเวทนาจะสอนให้เลยไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนะถ้าพวกทิฏฐิจลิตพวกคิดมากเนี่ย กรรมฐานที่เหมาะในการทําวิปัสสนานะคือจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนานะเอาอะไรอะ่ะแล้วถ้าอย่างผมนี่ไม่ทราบว่าจะเป็นจริตนใสันะครับสีนครบเดือดทุกอย่างรู้สึกข้อห้าจะไม่ค่อยได้นะครับโอ้ยศีลไม่ครบภอนายากนะเอตั้งใจให้มันเด่นเดียวสีเนอะครับแล้วก็มีสตินะมีสติรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆ อยากกินเหล้ารู้ว่าอยากกินเหล้าหรือกินยาเราซักให้ละเอียดเลสุราครับสุราก็ยังดีสุราเป็นระยะระยะโอ้โหถ้ายาบ้านี่ไม่ได้เลยะแต่ไม่กินดีที่สุดแหละครับะเสียตังคเสียสติขั้นแรกเลยนะคอยรู้ทันมีสติรู้ทันใจของเราบ่อยๆนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นเช่นอยากไปกินเหล้ากับเพื่อนนะ้รู้ว่าอยากรู้ทันใจเลย รู้บ่อยๆเอาตรงนี้ก่อนครับผมแล้วก็สําหรับข้อที่2นะครับก็คือว่าหลังจากที่เราเริ่มลงมือปฏิบัตินะครับแล้วเออมาเกิดแบบความรู้สึกว่าอึดอัดมันหนักอึดๆึดข้างในอกเออนี่ยนะครับนั่นก็เราบังคับตัวเองมากไปหลักของการทําวนะิปัสสนาเนี่ยให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงนะจะไม่แน่นไม่อึดอัดหรอแต่ถ้าอย่างจิตมันจะคิดไปบังคับไม่ให้คิดเนี้ยอึดอัดจิตจะฟุ้งซ่านไปบังคับไม่ให้ฟุ้งซ่านอย่างเนี้ยอึดอัด หรืออยู่ๆก็จงใจจะปฏิบตัติคิดถึงการปฏิบตัติปุ๊บบังคับตัวเองปุ๊บเลยเป็นไหมล่ะทันทีที่คิดเรื่องการปฏิบัติเขาบังคับกายบังคับใจก็แน่นแน่นอนอะ่ะแน่นเพราะบังคับเองมไม่บังคับไม่แน่นหรอ<ม>กชอบค่อยๆคลายรู้ทันใจที่อยากปฏิบัติก่อนนะพอรู้ทันใจที่อยากปฏิบัติแล้วเนี่ยความอยากหายไปคราวนี้เราก็ลงมือปฏิบัติรู้กายรู้ใจไปตามธรรมชาติธรรมดา S <S ไม่ใช่ว่าต้องรู้ตลอดเวลาไม่ให้คลาดสายตาถ้าคิดว่าจะต้องรู้ตลอดเวลาไม่ให้คลาดสายตาจะออุัอดแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องดีตลอดกิเลสเกิดไม่ได้ถ้าคิดว่าต้องดีตลอดจะอึอดัดนะะฉะนั้นเรารู้ทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นรู้ด้วยใจที่เป็นกลางไหมไม่อยูึดัดหรอกร <S <S ไปปรับตัวนี้ไปแ ส, สดงว่าไม่เป็นกลางขอบคุณครับคนต่อไปนามาสการหลวงพ่อค่ะ ความสุขคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการและแสวงหาอยากได้มาซึ่งวิธีที่หามานั้นอาจจะผิดและถูกนะครับจึงอยากทราบว่าความสุขแกนแท้ของมันคืออะไรและความสุขที่แท้จริงเป็นแบบไหนครับถามยากยากความสุขมันมีหลายระดับนะอย่างคนในโลกเนี้ยสนองความอยากได้ก็มีความสุขเห็นไม นักปฏิบัตินะเราเห็นว่าสนองความอยากเท่าไร่เท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขแร้วแปบ๊บเดียวสนองความอยากเดี๋ยวก็อยากใหม่อีกแล้วก็ต้องดิ้นอีกทุกข์อีกนะพวกนี้ก็คิดว่าถ้าควบคุมตัวเองได้จะมีความสุขนะคอนโทรลตัวเองไม่ให้อยากมากนะควบคุมแนละ้วมันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งนะที่เกิดจากปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของรูปของนามความสุขอื่นๆในโลกนี้เป็นของชว่วครั้งชวัวคราวถต่ว่ามีไม่มีแต่ไม่เที่ยงนะ แล้วก็ของที่มีแต่ไม่เที่ยงเนี่ยถ้ามีสติปัญญามากพอเราจะรู้ว่าจริงๆมันคือตัวทุกข์เมื่อไร่ความทุกข์ลดน้อยลงเรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขนะถ้าเราภาวนาจริงๆเราจะพบว่าในโลกไม่มีความสุขหรอกนะเมะื่อไหรทุกข์น้อยเมื่อนั้นก็รู้สึกว่าสุขนะเนี่มันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งความสุขที่เกิดจากปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของรูปของนามของกายของใจแล้วมันวางภาระวางความยึดถือในใกายในใจออกไป เมื่อมันวางภาระออกไปแล้วนะไม่มีความสุขนะเพราะมันไม่มีภาระมัสุขเพราะว่าพ้นจากทุกพ้นจากภาระนั่นศาสนาพูดเราไม่ค่อยพูดเรื่องความสุขเรพูดเรื่องพ้นทุกเรื่องอกไหมพ้นทุกคือพ้นอะไรพ้นขันนั่นแหละเพราะขันนั่นแหละตัวทุกนั่นเราพอนานะเราจะได้พบความพ้นทุกพราพ้นทุกเมื่อไหร่เราจะเจอความสุขเรื่องอัศจรรย์ความสุขนี้ไม่ยิงอาศัยอะไร มันเต็มอิ่มมันบริบูรณ์อยู่ในตัวของตัวเองความสุขนี่อยู่ต่อหน้าต่อตาคนทั้งหลาย่ไม่เห็นเพราะใจไม่มีคุณภาพพอใจมีแต่ความอยาก ต, ตอบตรงตอบผมไม่รู้เนะเราพาบ้านนอกม า, มาถามเป็นตรยายลึกซึ้งตอบยากขอบขอบครับลองดูสิต่อไปนี้นะให้กันบ้านบางัง ใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะใจมีความทุกรู้ว่ามีความทุกใจเฉยๆรู้ว่าเฉยๆไปดูตัวนี้นะ้าเราจะรู้จักความสุขเบื้องต้นจะเห็นเลยความสุขไม่มีแต่เบื้องปลายจะพบว่าพ้นทุกนะนะั่นแหละสุขนะแล้วค่ะสมณประธานหลวงพ่อค่ะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมนะคะจนถึงขั้นบรรลุดวงดวงตาเห็นธรรมนะคะการปฏิบัติธรรมก็มีหลายวิธี เช่นนั่งสมาธิเดินจงกรมการสติประฐานสี่หรือว่าสวดมนต์ภาวนาแล้วก็อื่นๆอีกเยอะค่ะที่เท่าที่ทราบมาก็เห็นว่านั่งสมาธิจนมีคนแต่คนนั่งสมาธิจนถึง บ, บรรุดวงตาแห่งธรรมมีวิธีอื่นกิริยาบทอื่นไหมคะกิริยาบทอะไระก็ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะ การปฏิบัติไม่ได้มีมากมายอย่าที่คุณว่าหรอกการปฏิบัติทำมีแค่สองงานเองสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานนะสมถะกรรมฐานฝึกให้จิตสงบจิตที่สงบทําสมถะกรรมฐานเนี่ยไม่เลือกอารมณ์เลยอารมณ์ที่คุณบอกว่ามันเยอะแยะไปหมดอะนะพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้ในความเป็นจริงแล้วอารมณ์ของสมถะกรรมฐานนั้นไม่เลือก ใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้เช่นพิจารณาปฏิกูณสุภาก็ได้พิจารณ า, า, ร, ณาร่างกายอาการ32สองพิจารณาความตายคิดถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานคิดถึงศีลนะเนี่ยสามารถทําสมถะได้หมดเลยใช้ความคิดหรือปริกรรมพุทโธพุทโธสัมมาระหังเหมือนกันหมดเลยนะอันนี้คิดนกว่าใช้อารมณ์บัญญัตินะอันที่สองใช้อารมณ์ปรมัตาร์รู้รูป ร, รู้นามแต่ว่าไม่เห็นไตรลักษณ์ไปเพ่งรูปเพ่งนามได้สมถะ อันที่สามพวกเราทําไม่ได้นะพระอริยะบุคคลเนี่ยท่านทําสมถะได้ด้วยอารมณ์สมานอีกชนิดหนึ่งที่ใช้นิพพานเป็นอารมณ์นะพวกเรายังไม่เห็นนิพพานยังไม่มีงั้นที่คุณรู้สึกสับสนว่ามันยยเยอะแยะไปหมดเลยนะโดยความจริงแล้วมันค่าอารมณ์ของสมถะเนี่ยที่พวกเราจะมีได้นะอารมณ์บัญญัติกับอารมณ์รูปนามอารมณ์ปรมาภนะก็มีเท่านั้นเองใครถนัดใช้อะไรก็ใช้อันนั้นแหละใช้อะไรแล้วมีความสุขแค่ น, นั้นแหละ รูปสิทธิ์หลวงพ่อเนะีมีทุกรูปแบบเลยนะแต่จุดสำคัญนะมีสติสำคัญที่สุดเลยถ้าหายใจด้วยความมีสตนะิจิตสงบอยู่กับลมหายใจก็ได้สมถะหายใจไปด้วยความมีสตนะิจิตตั้งมั่นเห็นร่างกายหายใจออกไปเป็นจิตเป็นคนดูออกมาก็เดินปัญญาเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราอารมณ์อารมณ์มเยอะแยะ แล้วพวกเราที่ทะเลาะกันนะว่าสายไหนดีกว่าสายไหนเพาเราไม่เข้าใจหลักของการปฏิบัติที่จริงดีเท่านั้นแหละถ้าพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานไว้ตั้งมากมายไก่กองเพราะว่าจริยนิสัยของคนมีต่งตางๆ น, นานาอะไรก็ได้นะใครๆเอาใครสังเกตเอาถนัดอะไรเอานั้นทางใครทางมันเอาพูดจริงๆนะครูบาอาจารย์เคยสอนหนูพ่อนะ ครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงพระเป็นเรียนกรรมฐานในีเรียนมาจากสายทางอีสานทางทางเชียงใหม่เนี่ยมาเรียนกับหลวงปู่ศิลป์มาหลวงปู่ศิลป์ทางนั้นทางอีสานท่านสอนนะบอกคนหลายคนกินน้ําบ่อเดียวเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันเห็นไหมมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกัน่มุ่งไปสู่พระนิพพานด้วยกันแต่ไม่เหยียบรอยกันทางใครทางมันของเราไม่ชอบนะเราชอบเหยียบตาปลาซึ่งกันและกัน ตั้งสายไหนดีกว่าสายไหนพวกนี้ไม่เข้าใจไม่มีกรรมฐานอะไรดีที่สุดนะนี่กล้าพูดเลยนะในฐานะที่เรียนมานานไม่มีกรรมฐานอะไรหรอกที่ดีที่สุดมีแต่กรรมฐานที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคนแต่ละคนมีกรรมฐานเฉพาะตัวนะอย่างบางคนพุโทโธแล้วดีบางคนขยับมืออย่างอาจารย์กมพลดีอย่างหลวงพ่อเทียนนะท่านพุโทโธแล้วท่านทาไม่ได้เลยท่านขยับมือท่านทาได้ ทางใครทางมันไม่ได้ดีได้เร็วกันหรอกอยู่ที่เข้าใจนะเข้าใจหลักไหวไหมอย่างนี้สู้นะวิธีสู้คือไปฟังซีดีให้เยอะ <c oughs> เยอะน้าตอบไปนมัตสการหลวงพ่อครับผมมีคำถามย่อยสองข้อครับข้อแรกนะครับเวลานั่งสมาธินะครับก็จะเห็นว่าจิตปรุงแต่งไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะแต่งถึงเรื่องของ ญาติพี่น้องหรือคนในครอบคอรัวอยากให้เขาดีมีสุขนะครับแล้วทีนี้พอนั่งไปนานเราก็เห็นว่าเอมันปรุงแต่งตลอดมันไม่หยุดนั้นเราหยุดดีกว่าแล้วก็เลยไปสนใจแล้ว เ, เราการเจริญสติปัญญาเราฟังธรรมะแล้วเราก็เข้าใจตรงนั้นด้วยก็ได้เราไม่จะเป็นต้องนั่งอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้จะเป็นเครื่องกั้นของการเห็นใจรักหรือเจริญปัญญาไหมครับจริงๆแล้วการทําสมถะนะเราเลือก คนไหนถนัดนั่งก็นั่งคนไหนถนัดเดินก็เดินเอานะถนัดอะไรก็นั่นให้จิตมันสงบอยู่ในวรมันเดียวแต่ในขั้นการทำวิปัสสนาเนี่ยไม่เลือกยืนด้วยความรู้สึกตัวทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวนะนั่งอยู่ด้วยความรู้สึกตัวนอนอยู่ด้วยความรู้สึกตัวดูไปใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นร่างกายในทุกๆอิริยาบถไม่ใช่เราเหตุนั่นเดินปัญญาอยูนะ่ไม่เกี่ยวกับอิริยาบถเลย นั้นอยู่ที่ว่าเรามีสติรู้ทันกายมีใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายไม่นะเลือกอารมณ์ดอกแต่ก็ดีแล้วดีกว่าคิดเรื่องครอบครัวลูกหลานนะเวียนหัวคิดแล้วหาคำตอบไม่ได้คิดแล้วมันยากอย่างเดียวนึ่นออกไหมมันก็อยากให้เขาดีอยากให้เขาสุขอยากให้เ ข, เข้าวัดอย่างเราบ้างอยากไปอยากมานะ่เขาไม่เข้าอย่างเราแล้วโมโหเลย กับเรื่องที่สองนะครับเคยนั่งแล้วเราก็เคยได้ยินอ่าอาจารย์หลายท่านบอกว่าการนั่งสมาธิสวว่วนเราไม่ลุกไม่มีใครตายเพราะนั่งสมาธินานๆใช่ไหมผมก็เลยลองนั่งดูแล้วลองฝืนความเจ็บปวดนั้นดูจนถึงขั้นว่าเอ๊ะเราไม่คู้สึกว่าส่วนแขนหรือส่วนขามันหายไปแต่ตอนนั้นรู้สึกกลัวว่าเขาจะตายหรือเปล่าไม่ตายดอกแต่เราก็ถอนออกมาทีนี้ผมก็อยากทราบว่ามันถอนเองหรือว่าเราถอนน่ะ เราเราในในในความรู้สึกเรารู้สึกว่าเราค่อยๆถอนออกมาครับเ <จง S 1> พราะเราบอกว่าจใจถอนเนื้อจงใจถอนเนื้อจงในรู้สึกเมื่อว่าจงใจถอไ้ไม่ดีสิให้มันถอนเองครับเวลาจิตเป็นสมาธินะอย่าไปจงใจแต่พนะบหลังจากนั้นเอ๊ะทําไมไม่รู้สึกปวดก็เลยอยากทราบว่า จริงๆตรงนั้นเพราะว่าร่างกายมันปรับสภาพของมันเองหรือว่าใจของเราข้ามความเจ็บปวดนั้นไปครับเราพอนาถ้าต้องการสมถะนะหรือต้องการอย่างอื่นเช่นความอดทนอดกลั้นปวดอยู่เราก็นั่งดูมันไปนะถ้าเราต้องการเดินปัญญาเราไม่ได้มุ่งเอาชนะความปวดหรอกแต่เรามุ่งให้เห็นความจริงของธาตุของขัน เห็นอะไร่างกายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บความปวดก็อีกส่วนหนึ่งล้วนแต่ของบังคับไม่ได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อีกส่วนหนึ่งนะถ้าฝึกอันนี้จะเดินปัญญาได้ความปวดจะมีอยู่หรือความปวดจะหายไปก็ไม่มีความหมายอะไรไม่ได้นั่งเอาชนะอะไรหรอกอันนะั้นนะหลดอยู่เราเอาอะไรนะแต่ถ้าเราตั้งสัจจะนะตั้งใจไว้เลยว่าเราจะนั่งจนสว่างปวดเท่าไหร่ก็นั่งเราจะได้อะไรได้ความอดทนนะ ได้ขันติเห็นไม้มได้อธิษฐานนับบารมีได้บารมีตัวอื่นนะจะไม่ใช่ตัวปัญญาบารมีถ้าจะเป็นปัญญาบารมีก็เห็นกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตไม่ไม่สมั่นกันนะไม่เท้าไก่กันนะดูอย่างนั้นครับ<ะ>กราบนาม่าสการหลวงพ่อปลามโมดพระคุณเจ้าทุกรูปและนักปฏิบัติธรรมทุกท่านในที่นี้โยม เึงจะได้ฟังซีดีของพระอาจารย์ประโมทหลวงพ่อประโมทได้เกือบปีปฏิบัติตามอยู่รู้กายรู้ใจอย่างที่ท่านสอนแต่ว่ารู้สึกรู้กายจะ ง, ง่ายกว่ารู้ใจไม่ทราบว่าโยมไม่เป็น ไ, ไ, ไรหลวงพ่อก็ออไม่ได้สอนให้รู้ใจหลวงพ่อสอนให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวว่ากําลังปวดกําลังเจ็บกําลังไดึดอั มีอะไรเกิดขึ้นกับกายจะรู้แต่กับใจไม่มีใจวิจใจที่เรารู้ว่ากายปวดกายอึดอัดสังเก้ไหมว่ากายกับใจคนละอันกันค่ะกายกับใจเป็นคนละอย่างกันดูออกไหมตัวนี้ดูออกว่ากายปวดใจเป็นตัวรู้เออถ้าอย่างนั้นใช้ได้นะก็ดูกายไปนั่นแหละไม่ต้องเปลี่ยนกรรมฐานหรอกทางกายทางมันค่ะตั้งแต่ปฏิบัติแนวหลวงพ่อรู้สึกใจเป็นอิสระขึ้นอืม ไม่กังวลเหมือนแต่ก่อนกำลังเพียนพยายามปฏิบัติให้รู้กายรู้ใจแยกกายแยกใจให้ได้อยู่โูกดีค่ะแล้วฟังหลายๆท่านถามหลวงพ่อบอกทําได้ทุกกิริยาบทบางครั้งโยมกำลังขับรถติดไฟแดงโยมก็กลับมารู้กายรู้ใจ ทันทีรู้สึกนานเหมือนกันจนไฟแดงอย่างนี้ทำถูกไหมคะแต่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเอออย่ให้เกิดนะเลยคะ่ะดีแล้วยอมยกตัวอย่างไฟแดงแต่ยงอื่นด้วยคะ่ะหลวงพ่อยกไฟแดงให้ฟังก็ได้อย่างเราขับรถอยู่นะแล้วก็ข้างหน้าเรามีรถอีกห้าสิบคันไฟเขียวอยู่เนี่ยเราไม่หวังว่าจะผ่านได้เงี้ยเพราติดไฟแดงใจไม่กลุ้มมากใช่ไห แส่เวลาเราติดไฟแดงถ้าเราติดคันที่หนึ่งเนี่ยจิตเกืยบไม่เหมือนติดคันที่ห้าสิบรู้สึกไหมเ <c oughs> นี่ยเราวัดใจของเราอย่างเนี้ยเนี่ยที่เรียกว่าดูจิต ด, ดูใจของตัวเองความรู้สึกมันไม่เท่ากันดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆนในใจของเราความรู้สึกจะเปลี่ยนตามการกระทบทางตาทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยติดไฟแดงคันที่หนึ่งเนี่ย โมโห О ตัวเองเลยใช่ไหมบางทีก็โมโห О ไอ้คันที่อยู่ข้างหน้าเรามันเหยียบซยี่นิดเราก็พลแล้วมันน่าเหยียบมันน่ะเนอะนะ อ, อ, อย่างนี้ยรู้เลยใจโมโหใชนะ่ไหมแต่ประเภทติดห่างทั้งสองร้อยคันนะเงี้ยเราไม่คาดหวังนะเราติดไฟแดงไฟเขียวแล้วเรารู้สึกว่าไม่ทันเงี้ยเราไม่กลุ้มใจปิดไฟใดอีกรอบยังไม่กลุ้มเลยรู้ไม่รอดหรอกนะเนีย่ยคอยรู้ทันความรู้สึกของเราเราไม่แทรกแซงความรู้สึกนะ ล้วไม่แทรกแซงนะสนเห็นไฟแดงใจไม่ชอบเห็นไฟเขียว ด, วดีใจเนี่ยรู้ว่าดีใจเห็นไฟเหลืองรีบเหยียบเลยนะรีบไป ย, ยิ่งอยากมากกว่าเก่าอีกเนี่ยรู้ว่าอยากนี่อย่างนี้นะอย่าให้จิตรวมเวลาขับรถห้ามทำสมมตะนะ โยมปฏิบัติตามหลวงพ่อสอนรู้สึกใจเป็นอิสระขึ้นไม่ร้อนรนไฟเขียวไฟแดงก็ไม่ได้ดูแล้วมันปกติค่ะงั้นแล้วไยฝ่าหน้าไปไหนให้เจอไฟแดงบ่อยๆเอาแม่โอ้มันปกติแล้วโยมโยมยักยกตัวอย่างแค่ไฟแดงแต่มีอย่างอื่นอีกมากค่ะแต่ว่าโยมจิตเป็นอิสระมากขึ้นดีายขึ้นในการปฏิบัติค่ะดีกรับนักตการค่ะดีนะนึกใช้ได้นะ จากน้ำมาสการค่ะหลว ง, <อ>งพอ่อในคุณคุณ น, นะได้ลองปฏิบัติตามซีดีที่ฟังทุกวันนะคะ เ, เกือบทุกวันนะคะสิ่งหนึ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงคือเรื่อง อ, อ, อารมณ์ของตัวเองค่ะจะเห็นชัดขึ้นแล้วก็ระยะเวลาของของอารมณ์จะสั้นลงสั้นลงค่ะแล้ว อ, อ, อย่างตอนหลังจากทำวัาเช้าสวดมน์ จะทําสมาธิค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็คือว่าเดิมเนี่ยบางทีจิตจะสงบแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยจะเห็นเป็นในลักษณะว่าเห็นหายเห็นตัวเองนั่งหายใจเห็นเรานั่งหายใจอยู่แล้วบางทีจิตมันก็ไหลไปเหมือนจิต เ, เหมือนมีความคิด อยู่ข้างหน้าๆก็เห็นเห็นว่ามีความคิดอยู่ข้างหน้าหน้าแต่หายใจก็ไม่เห็นเดี๋ยวสักพักนึงมันก็กลับมาที่ลมหายใจสักพักก็ไหลออกเนี่ยค่ะจิตมันไม่ทําสมถะจิตไม่จะเดินปัญญานะงั้นถ้าเราต้องการให้จิตพักผ่อนบ้างนั้นก็น้อมเข้าไปหาลมนะอยู่กับลมลมจะค่อยๆตื่นขึ้นนะตื่นๆๆที่สุดลมกลายเป็นแสงสว่างนะแล้วอยู่กับความสว่างว่างอันนี้ยพักผ่อน คนที่หัดทำวิปัสสนาจนชำนาญเนี่ยจิตจะไม่ค่อยยอมทำสมถะมันไม่รวมรู้สึกไหมเวลารวมๆแวบบ๊แบๆบเนี่ยก็บบเด้งขึ้นมาบบเดินดปัญญาเออนะอันนั้นถ้าเป็นช่วครั้งช่วคราวไม่เป็นไรแต่ถ้ามันฟุ้งอย่างนั้นตลอดเนี่ยต้องน้อมพื่อหาความสงบให้มันได้พักบ้างะนะงั้นใจจะฟุ้งไปขอบพระคุณเจ้าค่ะมันจะเดินแต่ปัญญานะให้มันได้พักบ้าง นมาสการครับเต็นๆว่าไปเลยนึกไม่ออกเนา ะ, ะสัญญาดับ <laughs> อ้าว เ, เป็นไปได้นะใครเคยเป็นอยู่ๆสัญญามันดับนะอย่างพูดพูดอยูอย่พูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ใครเคยเป็นบ้างไม่ใช่อัลไซเมอร์ด้วยนะหมายังก็ <laughs> <laughs> ได้ฟังสิดีนานแล้วครับพอพอจะรู้แต่ว น, นี้รู้มากกว่าที่ฟังก็จะเอาไปปฏิบัติครัคเคยรู้ทันใจของเราเนาะกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันความสุขความทุกข์อะไรเกิดขึ้นรู้ทันรู้ด้วยความเป็นกลางนะจําคํานี้ไว้ดีๆนะรู้อย่างเป็นกลางนะครับเอเพราะปกติพวกเราเนี่ยคนทั่วๆไปไม่รู้สภาวะที่กําลังเกิดขึ้นเพราะว่าวันๆนันนะ้นคิดอย่างเดียว รู้แต่เรื่องที่คิดเรียกว่าสมมุติบัญญัติไม่รู้สภาวะคือไม่เห็นกายไม่เห็นใจตัวเองทํางานนะนี่พวกเราพอมหาตปฏิบัติเราเห็นกายเห็นใจทํางานแนละ้วปัญหาต่อไปของเราคือเราไม่เป็นกลางเช่นพอเห็นความสุขนั้นก็อยากให้เกิดบ่อยๆเกิดแล้วก็อยากให้อยู่นานๆเห็นความทุกข์เกิดขึ้นก็เกลียดมันอยากให้มันดับเร็ ว, รวๆอยากให้มันไม่เกิดอีกในนี้เรียกว่าไม่เป็นกลาง งั้เบื้องต้นหัดรู้สภาวะทั้งหลายทั้งปวงที่มันกําลังปรากฏขึ้นสดๆร้อนๆ อ, อันที่สองรู้ทันจิตที่มันไม่เป็นกลางนะเช่นกิเลสเกิดแล้วจิตไม่ชอบให้รู้ที่จิตไม่ชอบไม่ใช่รู้ที่กิเลสละกิเลสเป็นอดีตไปแล้วความไม่ชอบเป็นปัจจุบันแนละ้นะให้ลงมารู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางไว้ครับมครับรู้สึกแบบพอทรงให ม, ไม่ไปได้สบายใจ แน่ใจมันไม่เหมือนกันดูออกไหมกาบธรรมสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านครั้งที่แล้วเมื่อสิบสามเดือนที่แล้วที่ศูนย์สันติธรรมเหลวงพ่อได้บอกให้รู้ลงปัจจุบันก็รู้ลงที่กายได้ก็รู้รู้ที่ใจได้ก็รู้ไอ้นี้อก็รู้ได้มั่งทันมั่งไม่ทันมั่งค่ะแต่ทีนี้ที่บางครั้งที่รู้ได้ดีเนี่ยรู้สึกมันแป๊บแป๊ป๊เร็วมากเลยค่ะ ใช่มันเกิดดับรวดเร็วนะอะถูกแล้วแล้วบางทีก็รู้ไม่ทันก็หลงไปก็ดัวหลงรู้อย่างว่าปัจจุบันสั้นนิดเดียวค่ะนิดเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอะไรใช่เขาไม่มีบัญญัติค่ะทีนี้หลายครั้งที่บางทีกลางคืนนอนแล้วแบบจิตมันไม่ยอมนอนอ่ะมันเอาอะไรขึ้นมาคิดสารพัดเลยค่ะจนบางครั้งก็ขึ้นมานั่งดูจิตก็เลยเกิดความสงสัยค่ะอยากเรียนถามว่าจิตที่มันฟุ้งซ่านกับจิตที่มันมันคิดแบบ พ้นคว้าหรือเดินปัญญานี่มันต่างกันยังไงคะต่างกันนะจิตฟุ้งซ่านเนี่ยไม่มีสมาธิรองรับจิตที่เดินปัญญาเนี่ยมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอนี่นะ แล้วมันก็เห็นมันปรุงมันทํางานไปได้มันเป็นคนดูสบายๆแต่ถ้าตัวนี้เข้าไปคลุกเมยยื่อไหร่ก็ฟุ้งซ่านเมื่อนั้นคล้ายๆมันเห็นกระแสะความคิดมันวิ่งพ่านเราไปอย่างนี้ใช่ไหมคะใจเราเป็นคนดูอยู่ตลออย่างนั้นเดินปัญญาอยู่แ ล, แ, ลแล้วพอมันเกิดความเข้าใจอะไรขึ้นมารู้สึกมันเกิดปิติอันนี้ถือว่าเราเราได้ได้ปัญญาระดับหนึ่งไหมคะก็มีปิติก็รู้ว่ามีปิติไม่ว่าอะไรก็ปิติก็ไม่เที่ยงเห็นไหมทุกอย่างฝึกไปฝึกมาก็จะเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงค่ะ ไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่นี่ต้องแก้ไขอะไรไหมคะแก้ไขไม่ใช่วิปัสนาหมายถึงทำไม่ดีกว่านี้ค่ะทาสมถะบ้างใจฟุ้งไปโอค่ะฟุ้งสั้นค่ะใช่ไหมกาบข้อพูดใส่ร้ายเปล่าไม่ค่ะถูกค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อก็ว่างนะนะกาบข้อพูดคุณค่ะมันฟุ้งไปทำความสงบบ้างอนนมัสการนะหลวงพ่อ โยมมาส่งการบ้านลหลวงพ่อทั้งข้างที่สองตอนนั้นไปหาลหลวงพ่อที่วันนั้นสีลาจาเนาะตอนนี้มาที่นี่แล้วก็โยมก็ปฏิบัติฟังชิดีลหลวงพ่อมาปีที่สามก็ตอนนี้ก็มันก็รู้รู้นะหลวงพ่อรู้แต่ว่าก็รู้แป๊ป๊บแป๊อแป๊บเ ม, มันก็รู้แต่แบบเนี่ยมันม แ, ปปแว๊บแป๊บแตลอดเนาะข้างมันก็หลงอืมแล้วก็ โยมทุกวันนี้นะหลวงพ่อลูกก็ลูกก็เมันบาโหดนะเจ้าเออนั่นแหละรู้เหมือนไม่รู้นั่นแหละนั่นแหละรู้แหละลูกลูกก็เหมือนมาโหดเนาะนะควก็เวลาโยมลุกเดินไปเดินมาจะยิ้งยิ้มโยมโยมไม่ต้องเอามือแบ่งเปล่าไม่ได้ยินเนาะจะลูกก็ลูกจะเข้าห้องน้ำจาห้อน้ำเจียงก็สังเกตหรือเปล่าว่าความทุกข์มันน้อยลงดูออกไหม เจ้าชีวิตมันเปลี่ยนนะเมื่อเมื่อคืนนี่เมื่อจะมาหาหลวงพ่อนี่ก็มีความอ่อนเพียรถ้าเอาถวยมือนไม่อยากจะให้มาหาหลวงพ่อรับนีตื่นพอบว่ตีสองถอยมาโยมก็ไปตื่นตีท้องจันตุ๊บเลยออกมมาท่านจะมาหาหลวงพ่ออืแล้วก็สันพอดีสันเซ็ตแล้วยมก็เออมีสติเอแต่งตัวอย่างนี้นะ อ, อล้วก็ทุกวันนี้หลวงพ่อเวลาโยมอันนี้มันจะเป็นวิปัสนาเป็นมาเป็นพูดแต่ว่าเวลาไป่องกระจกอย่างเนี้ยโยมจะเห็นล่างของโยมเนี้ย ม, มันเหมือนเอไ อ, อยังอนาะเหมือนเงาะเหมือนอไอยังเนี่ <c oughs> ยเจ้าเหมือนอะไรนะอลุงลูกน้องน้ากินสิ พูดแต่พูดแต่อู้บเป็นนะเจ้าอืมดูสิมันไม่ใช่เราแล้วเอามาใส่นะมันไม่ใช่เราหรอกดูอย่างนั้นแหละเห็นมันเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งมันไม่ใช่เราเป็นหวยิกงออย่างดั้มปืนอ๋อไม่ใช่ลูกงออคนละแบบงอคนละแบบแล้วอไม่ใช่งอลูกเรียนหรอกงอแน่นดูอย่างนั้นแหละดูแล้วมันไม่เป็นเรา เวลาเดินจงกรมอย่างนี้ก็เดินแต่ว่านั่งนี่มันชอบนั่งจะนั่งนี่แป๊บเดี๋ยวมันก็ไข้ลูกเดินละอืดีเวลาดเดินไปเดินไปมันก็หว้ว่ตัวเฮานี่ปัจจัยเฮาโอไปมองดูตังตังหลุมทังเท่าทั้งอย่างนี่ก็เออปัจจัยค่างบางหนึง่งบางหนึ่งเหมือนบางนึ่งไม่เหมือนอใจปัจจัยมันเป็นคนละข้างไปแล้วเนี่ยเจ้าใช่เออ ยุ่งก็แปลกๆเนะยุ่งก็เ อ, อไม่แปลกหรอกอสกลัวก็บักลัวบักวัาากวเจ้ามีความสู้ดุอยู่บกักลัวอืแต่ว่ามันแปลกมันบอกเหมือนเฮาแล้วมันไม่ใช่เราเอามันมันมาใจเฮาละเจ้านี่ฟังๆไว้นะเห็นไหมธรรมนานุบอกพูดไม่เป็นเห็นเป็นง้อไปแล้วไม่มีตัวเราแล้วปองวันดั่งนั่งสวดปนธรรมว่าเจ้าว่าเย็นเร็วมะพร่นเนี่ยขาของตัวเก้าเนี่ยเจ้าขอโทษ อันมันมันจะหนังมันจะย่นเข้าหากันมันใบแจาเลยเจ้าอืมันเหมือนเออย่างเหลืองเหลืองเหมือนกับศักดิพีศักดิซบเนี่ยมันจะเป็นเหลืองย่นเข้าหากันเลยเจ้านเห็นมันไม่เป็นเราไม่ใช่ได้แล้วออ๋คือเรามาภาวนานะมันเดินปัญญาเนี่ยเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวกูของกูนะที่ท่านพุทธทาสพูดอะเห็นไหมไม่ใช่ตัวกูของกูแล้วถ้าต่อไปนี่ยมจะต้องทําอีก ท ำ, <ค>ำยังไม่พอออเจ้าดูบ่อยๆหลวงพ่อตอนนั้นโยมเดินจงกรมนะยมก็เคยเคยอุหลวงพอฟังละวขังหลักการอะไงได้หรือเปล่แต่ว่าตัวมันหายไปเลยนะเจ้าตัวมันหายแต่ว่ามันมีความปุ้มใจดีใจจนอพอกะทูกเลยเจ้าแล้วจิตจิตมันสงบลงมานะเป็นสมถะอเดินแล้วจิตมันรวมลงไปร่างกายหายไปนะ แต่เหลือความรู้สึกตัวอยู่ตัวนี้ใช้ได้แต่ถ้าร่างกายหายไปแล้วจิตใจก็หายไปด้วยอนี้ใช้ไม่ได้เลยโอ้ไม่หายเจ้าเออต้องไม่หายนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่อย่างนั้นแหละร่างกายหายไปหมดโลกทั้งโลกหายไปหมดเลยนะตัวรู้เราก็ยังอยู่อย่างนั้นนะเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรอือเจ้าก็ว่าได้ยมกว่ายมใบใจตัวยมแล้วใช่ใบใจตัวยมแล้วยมนี่ก็ ใจจิตู่ดีอยู่แต่จิตใจดีเหมือนเดิมแต่ว่าใจตัวโยมละเป็นอย่างไปบ่โง่ยังไงตัวอะไรก็ช่างมันเวลาเดินจะนั่งจะลุกจะย่างนะโยมประเดียวเหมือนกันกดบางครั้งก็ไปคิดต่อมางครั้ก็เออจังมาเตอร์เป็นอยังกับจังมัตเตอร์เองนั่นเราค่อยๆรู้ทันนะในหลงคิดเยอะเสียเวลารู้เยอะๆให้คนเห็นบ้างหมดอย่างเหลือกี่คนที่มีสิบห้าคนเิ็นไหม ครับนักาการหลวงพ่อครับก็เ อ, อผมว่าปฏิบัติเองมาตลอดนะฮะอ่านหนังสือฟังซีดีด้วยก็ผลการปฏิบัติที่ผ่านมาก็คือเหมือนเดินทางในทางที่ไม่เคยเดินมาเรื่อยๆ hmm. นะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าปฏิบัติเนี่ยจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงบ้างนะครับต้องต้องไม่ให้จิตนะมันซึม ครับนะจิตมันตื่นก็ให้รู้สึกรู้สึกนะอย่าเป็นน้อมให้มันซึมซึมนิ่งๆก็แล้วกันครับอย่างที่หลวงพ่อเอเทศในวันนี้ก็คือก็เหมือนกับได้มาเจอทางที่ไม่เคยอีกแล้วนะครับเใี่หลวงพ่อรู้สึกตัวนะการภาวนามันไม่มีอะไรมากการปฏิบัติจริงๆเนะี่ยคือการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเรียนรู้จะรู้ว่าไม่มีเรารไม่ใช่เรื่องอื่นเนาะ ไม่ยากเท่าไหร่อย่างเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยก็คือเหมือนเพิ่งมารู้ว่าอ๋อเขาแยกธาตุแยกขันธ์กันอย่างนี้นี่เองน้ําไปขันแยกก็ไม่งั้นไม่จะได้แต่สมถะจะสงบอย่างเดียวะถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นมันไม่เดินปัญญาแล้วก็ขออนุิดเนคะครับก็ ที่จริงตัวเองก็คิดเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าปฏิบัติได้ดีๆก็อาจจะบวชอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีความกังวลในหลายๆเรื่องครับภาวนาไปก่อนนะได้ครับขอบคุณหลวงพ่อครับเรา๋นมรสการหลวงพ่อครับรู้สึกเปลี่ยนเต๊ะใกล้เข้ามาใจมันสั่นเอง อ, อย่าให้มันหยุด น, นะครัตอนนครับตอนนี้กดอยู่เคยจีบสาวไหม เคยคสั่นเท่านี้ไหมแรงกว่านี้ก็มีโอ้ <laughs> <laughs> น่ารักชำมัดเลย <laughs> เว่าวไปครับก็ <laughs> ได้ไปส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อวันที่สิบสองสิงหาปีที่แล้วนะครับหลวงพ่อก็บอกปฏิบัติถูกแล้วก็ส่วนใหญ่และภาคหลังๆมันรู้สึกวิริยะน้อยครับความเพียร น, น้อยแล้วก็จะเน้นในชีวิตประจําวันมากกว่าแต่ว่าเราจะทํายังไงให้เรามีความเพียรที่จะ ทำในรูปแบบบ้างขึ้นนะครับคือเราประมาทนะนะเราคิดว่ายังมีเวลาอีกนาน เ, าเดี๋ยวค่อย ท, ทําทีหลังเราพิจารณาความตายดูบ้างก็ได้คนอายุน้อยกว่าเราตายไปแล้วก็มีนะถ้าเรารอไว้ว่าอายุเยอะกว่านี้ค่อยทําอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีโอกาสทํานะครับเอมันเกิดจากใจเราประมาทไปอย่าขี้เกียจสิครับบางทีช่วงก่อนจะนอนก็จะดูลงหายใจไปด้วยครับแล้วก็ บางทีมันรู้สึกเหมือนเหมือนมีมีเข็มจะมาแทงมัดแทงตรงลิ้นปีหรือตรงกลางเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าอันนั้นคือคือหลงหรือเปล่าครับหรือว่าคิดไปเองไม่ไม่จําเป็นหรอกเอาแค่ว่าพอมันเกิดความรู้สึกอย่างนี้นขึ้นมาเนี่ยใจเราเป็นยังไงเช่นใจเราสงสัยให้รู้ว่าสงสัยใจเรากลัวให้รู้ว่ากลัวจนะให้ค่อยเข้ามารู้ทันที่ใจนี้ครับแล้วที่ผมสังเกตจากการดูดูจิตตัวเองนะครับบางที ถ้าเกิดกิเลสเกิดแรงๆในส่วนใหญ่จะขึ้นที่หน้าอกแต่มันก็ไม่เสมอไปบางทีจิตหนีไปคิดจะมารู้สึกที่บริเวณศีรษะอย่างมีผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดหรอกกิเลสจริงๆเกิดขึ้นกลางหน้าอกนั่นแหละครับนะส่วนในตอนนั้นจิตมันติดคิดอ๋อครับพอไปคิดคิดนะกิเลสก็เกิดที่หน้าอกนี้ครับเคยได้ยินไหมสวรรค์ในอกนรกในใจครับกุศลอกุศลผุดขึ้นกลางอกนั่นแหละครับแล้วก็อ่าผมติดอะไรอยู่ไหมครับ ต้องต้องแก้ไขส่วนไหนหรือเปล่าใหปฏิบัติที่เขี่ยจะสิขยันครับสิขอกันนะขอคันบ้านหลวงพ่อให้คอยรู้ทันเวลาจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานจิตกระจายออกนอกอะไรเงี้ยครับอยรู้ตัวนี้ไว้เราจะเดินปัญญาได้จิตต้องตั้งมั่นจริงๆถ้าจิตอยู่ข้างนอกกว้างๆออกไปนั้นจะมีแต่ความสุขแต่มันจะไม่เดินปัญญาคนั้นค่อยๆย้อนกลับมารู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจตัวเอง งั้นจะมีแต่ความสุขแต่ปัญญาจะไม่เกิดครับก็กับพอจะดูออกไหมเรื่องจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตถึงฐานไม่ถึงฐานที่หลวงพ่อบอกอ่ะคําว่าถึงฐานไม่ถึงฐานนี้ยังไม่ยังไม่เข้าใจร้อยเปอนตตอนนี้รู้สึกไหมความรู้สึกเรากระจายกว้างๆออกไปตอนนี้สงสัยครับเอาสงสัยส่วนสงสัยสินะครับแต่คือมันไม่ย้อนอ่ะมันไม่ค่อยยอมย้อนมาดูตัวเอง ใจมันมัวแต่สนใจของข้างนอกครับต่อไปนี้ค่อยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะอย่างนี้ใจมันจะทวนะะกระแสกลับเข้ามาข้างในตอนนี้เริ่มเข้ามาหรือยังคะ <laughs> เข้าไหมล่ะครับเออเข้าก็เข้าสิครับอย่านใจหนีไปไม่รู้ใช้ไม่ได้นะครับผมออกนอกออกกลับไปครับกลับขอบพระคุณสงสารคนที่สิบห้าคนไหน กุ้มใจมไหมกุ้มใจไห ม, ใ, ไหมให้กุ้มนัเงนัองรอไปราส ก, กาหลงพ่อค่ะหนูส่งกันว่าหลวงพ่อครั้งที่แล้วที่สวนสันติธรรมเมื่อประมาณสิงหารหรือกันยาเนี่ยค่ะแล้วคือตอนนั้นอา จ, จะรู้สึกว่าตัวเองดูจิตได้ชัดกว่าดูกายแต่หลวงพ่อบอกหนูว่าโอยติดไกายเยอะก็ดูกายบ้างเงี้ยค่ะก็หลังจากนั้นก็คือลองทําแต่ว่า มันมันเหมือนเสื่อมอะค่ะหมายถึงว่าสิ่งที่เราเคยมองเห็น่ะมันเริ่มไม่เห็นเงนี้ค่ะเริ่มดูไม่ออกอแล้วก็จะเป็นเหมือนฟุ้งซ่านเป็นแบบคิดอะไรอย่างเงี้ยเยอะอย่างค่ะก็ <c oughs> ถ้าใจฟุ้งนะก็หาอารมณ์อันเดียว <c oughs> มาเป็นเหยื่อล่อให้จิตสงบบ้างจะอยู่กับลมหายใจจะอยู่กับพุโทโธอะไรก็ได้นะ <c oughs> แล้วก็เห็นร่างกายพยักหน้าร่างกายยิ้ม น, นะแล้วก็ความรู้สึกอะไรที่เด่นชัดก็ค่อยรู้เอา นะมันเวลาภาวนาจริงๆเนี่ยพอจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วมันไม่เลือกนะว่าะจะดูกายหรือดูจิต<อ>บางครั้งสติระลึกรู้กายบางครั้งรู้เวทนาบางครั้งรู้จิตบางครั้งไปรู้สังขารอย่า<อ>นะมันพลิกไปพลิกมามันไเป็นอันเดียวหรอกอนะตอนนั้นที่ ห, <อ>หลวงพ่อบอกให้มาดูกายบ้างอะ่ะเพราะว่ามันหลงไปดูจิตอย่างเดียวแล้ว<อ>มันจะไม่สนใจอะไรเลยต่อไปไปเพ่งๆใส่จิตไปเรว่มันนิ่งๆไป ค่ะก็พอช่วงหลังๆเนี้ยค่ะก็เริ่มกลับมาดูได้ทีนึงนะคะทีนี้จะที่เห็นชัดที่สุดคือตัวอื่นก็มีปกตินะคะแต่ว่าที่เห็นชัดมากคือโทสะลอยมากโทสะดูง่ายที่สุดะนะในบรรดานา ม, มาทำความรู้สึกทั้งหลายเนี้ยโทสะเป็นขอที่ดูง่ายที่สุดโมหะดูยากค่ะแล้วออสงสัยอันนึงค่ะคือว่าเวลาเห็นอย่างเงี้ยค่ะม่นเหมือนกับว่าเราเห็นแล้วล่ะเหมือนสติเราทำงานว้าเราเห็นแต่มันไม่ดับอะมันไม่ขาดไปอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าอย่างนี้คือจิตไม่มีแรงรจะให้อะไรขาดเห็นอะไรคือเหมือนกับเราเห็นพาเราเห็นกิเลส ต, ตัวเองเอะคะ่ะแล้วมันไม่มันไม่ดับงี้กิเลสไม่ดับแสดงว่าจิตเราไม่ตั้งมั่นจริงนะสติตัวจริงไม่เกิดหรอกถ้าสติตัวจริงเกิดนะกิเลสจะดับอัตโนมัติเลยถ้างั้นเดี๋ยวขอคำกวุณาหลวงพ่ออย่าไปประคองจิตให้นิ่งๆซึมๆ<ะ>นะอย่า ป, ประคองจิต ถ้าเราปกคองจิตบังคับจิตอยู่จิตมันผิดธรรมชาติธรรมดาปล่อยให้มันทํางานไปตามสบายๆ<ะ>แล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงดูการทํางานของมันไป่<ะ>แล้วคืออย่างที่ผ่านมาเนี่ย เ, เราเวลาทําสมถะจะไม่เคยสาเร็จเลย <c oughs> <c oughs> คือหลวง่อคิดว่าอย่างสตรีแบบหนูอะค่ะทํากรรมฐานแบบไหนถึงจะสงบได้ง่ายพิจารณาร่างกายไปเลยจะได้เราคิดถึงร่างกาย ถ้าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามอะไรเงี้ยนะคือที่หลวงพ้อให้ดูกายด้วยอ่ะเพราะจริงๆหนูรักกายมากมันรักสวยรักงามนะ่ <c oughs> นะนงถึงบอกว่าอย่าดูแต่จิตอย่างเดียวนะดูกายด้วยเพราะว่าตัวนี้เป็นปัญหาใหญ่ของเราว <c oughs> ันนึงใช้เวลาแต่งตัวนานแค่ไหน ตอนเช้าชั่วโมงครึง่งเออ <laughs> เห็นไหมล่ะพี่ห <laughs> เราพอ่อเบอกให้ไปดู ก, กายบ่อยๆ <laughs> อ่ะ <laughs> คนตอบไป <laughs> เข้าใจไหมเอ่ย <laughs> คือถ้าเรารักกายมากนะเรามาดู ก, กายบ่อยๆดที่ <laughs> จะเห็นเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกมีแต่ทุกข์นะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆมีความไม่สวยไมย่งามซ่อนเร้นอยูย่ดูอย่างนี้เรื่อยใจจะค่อยคลายความยึดถือในกายออกไปนะกลบในมรรคการหลวงพ่อค่ะ ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณปีหนึ่งแต่ว่าคิดว่าพอที่จะเข้าใจประมาณชักหเดือนเนื่องจากว่าฟังครั้งแรกนี่ไม่ไม่รู้เรื่องแล้วมีความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้ใช่แต่พอลองว่าอย่างนั้นแหละแต่พอมาลองดูว่าท่านท่านพระอาจารย์บอกว่าลองดูสิว่าคนเรามันคิดทั้งวันแล้วก็เลยลองมาดูปรากฏว่ามันคิดจริงๆแล้วมันคิดแล้วนี้จบเดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็จบเดี๋ยวมันก็คิดพอรู้ตัวก็จบที่เราก็มีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดสักทีแล้วมันก็คิด มันไม่เลิกหรอกเพราะจิตมีหน้าที่คิดนะเพียงแต่ว่าคนทั่วไปจิตคิดไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเราเลยตกเป็นทาตความคิดตัวเองไปมันคิดอะไรมันคิดว่าตัวเรามีจริงๆนะะและหลังจากนั้นก็เลยมาเริ่มดูในส่วนอื่นๆของจิตด้วยแล้วก็เลยได้มาดูในส่วนของโทสะด้วยแล้วก็ในส่วนของโลบด้วยอย่างเช่นว่าพอจิตมีโทสะปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้พอรู้เสร็จปุ๊บมันก็เหมือนคายไปแต่เดี๋ยวมันเหมือน มีคิดขึ้นมาใหม่แล้วก็จะเหมือนกดแล้วก็รู้อีกอะไรเงี้ยค่ะได้รู้ไปเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูไปให้เห็นมีแต่ความเปลี่ยนแปลงดูไปให้เห็นม่าบังคับไม่ได้เห็นไหมจิตใจคิดก็คิดของมันได้เองไม่ใช่ตัวเราหรอกค่ะแต่ทีนี้มีความสงสัยนิดนึงนะคะว่าเวลาที่เราคิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับมันมันขึ้นไปที่ศีสันแต่ว่ามันไม่ได้มีคําพูดแต่เหมือนกับว่าเรารู้ว่าอันนั้นมันคิดนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันมันคิดว่าอะไรอนั่นแหละสัญญาอย่างไม่แปลนะ ไม่คิดแล้วเตือนยามยังแปลไม่ออกว่าคิดเรื่องอะไรแต่พอเรารู้ว่ามันเหมือนมันขึ้นไปปุ๊บเรารู้ว่าคิดปุ๊บเราก็รู้ตัวว่าเราคิดแล้วเราก็ทําอิเดียบทเพราะว่าปกติถ้าเราไม่เผลอเนี่ยเราทําอิเดียบทอะไรเนี่ยเราจะพอจะรู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อะไรเนี้ยค่ะก็ฝึกไปค่ะแล้วก็บางครั้งในเรื่องของความโลภเนี่ยในบางสิ่งเนี่ยเราพอบางทีเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นของเราแล้วเหมือนเรามันจะเสียไปเราก็รู้สึกว่าเราโลภแล้วพอเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ของเราแล้วก็ หรือว่าเราคิดแล้วเราโลภแล้วเราก็หายไปเดี๋ยวมันก็รู้มาใหม่อันนั้ น, นเรายัง<ล>ไม่ได้รู้<ข>ด้วยปัญญานะมันรู้ด้วยการคิดเอาคิดแล้วมันก็โปรงตกโปรงได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวกลับมาโลภอีกนะใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าบางครั้งที่ความคิดเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่หลวงพ่อเคยสอนบอกว่าให้เราดูอยู่ห่า ง, างแล้วก็ไม่อะไรนะไม่ยินดียินไร้บางครั้งเรากว่าจะรู้เนี่ยเรายินดียินไร้เรียบร้อยไปแล้วไม่เป็นไร ยินดียินร้ายแล้วรู้ว่ายินดียินร้ายนะใช้ได้อ่ะตัดไปเกินเวลานิดหนึงได้ไหมหลวงพ่อ้องถามนะบางที่เขาถ่ายทอดโทรทัศน์ทวเกิดไม่ได้หรอกอ่ะว่าไปกรรมนสกายหลวงพ่อค่ะอันนี้ครั้งนี้มสาส่งอีครั้งที่สองในรอบสามปีมค่ะคราวที่แล้วนี่หลวงพ่อบอกว่าจิตฟุ้งซ่าน กวกลับไปก็ดูนะคะก็มองเห็นว่ามันฟุ้งทั้งวันแต่ไม่พอนะคะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มันฟุ้งแต่ความชั่วอื ม, อมนี่ลูกศิษย์หลวงพระประโมทล่ะมันดีน้อยมากๆเลยอ่ะแล้วก็เสร็จ แ, แล้วมันลากลากเราไปทีนี้ในระหว่างที่ลากเราไปเนี่ยสมมติว่า ตาละมองเห็นนะคะก็รู้ว่าตามองเห็นแล้วขณะที่กําลังปรุงแต่งเราก็รู้ว่ามันกําลังปรุงแต่งแต่จังหวะที่จะดีที่สุดคือพอมันเริ่มคิดปุ๊บรู้ทันใช่จะมีอาการใจจะเบาใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ ะ, ะตรงนี้ก็พยายามทําอยู่แล้วอย่าจงใจนะมันไม่เกิดหรอกค่ะถ้าจงใจหาไปเลยจงใจแล้วหนีไปเลยใช่แล้วก็ เคยดูลมหายใจไปนะคะคือตอนนี้ดูอะไรเกิดเกิดที่กายก็ดูกายเกิดที่ใจก็ดูใจะะอ่ะค่ะเสร็จแล้วตอนทีน่ไ ม, ไม่ว่าจะเกิดที่กายหรือเกิดที่ใจมันสอนธรรมะเรื่องเดียวกันค่ะมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใช่สอนไตรลักษณ์เหมือนกันค่ะเงัอนสายไหนสายไหนไม่สําคัญหรอกถ้าเห็นไตรลักษณ์ค่ะไม่นั่งทะเลาะ ก, กันว่าสายกายสายจิตไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกมื่อแต่จะดูกายกับจิต ไม่เห็นใจรักค่ะทีนี้มีคําถามว่าตอนตัวเองเนี่ยไม่เห็นอาการของจิตอืคือไม่แต่ดูตอนนี้กําลังดูหน้าหลวงพ่อนะคะคนอื่นเขาคงจะเห็นว่าจิตนิ่งไที่หลวงพ่อแล้วแต่ตัวเองมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการอ่ะพี่จะดูความคิดค่ะค่อยๆติดตามความคิดว่าพอคิดอย่างนี้อย่างนี้ได้ใช่ไหค่ะคือคือมันไม่มองไปยังไงก็ไม่เห็นนะคะเราเห็นอะไรเอาอันนั้นก่อนค่ะ ก็จะดูความคิดไปทีนี้ตอนที่หายใจไปบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าปอดตัวเองเหมือนปอดเทียมอะออืันนั้นคือแยกใช่ใช่แล้วคะใช่ไม่เป็นควรแล้วค่ะเป็นของเทียมแล้วเป็นเป็นเหมือนปอดเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งน้ำทํางานไปแต่มันไม่เที่ยงมันหายไปเอปัญญาไม่เกิดตลอดเวลาหรอกแต่มันหายนานมากเลยนะเจ้าคะเนื่นเพราโลกมันหายนานมากเราอยากให้มันมีบ่อยๆมันไม่มีเลยรู้สึกนาน นานแล้วก็เวลาปฏิบัติก็ลุ่มๆเราเจริญ<อ>สติบ่อยๆนะรู้ทันใจที่ฟุ้งบ่อยๆแล้วมันเจ็บเกิดเองแล้วหลวงพ่อมีอะไรจะชี้นหน้าไเมืม่อกี้ให้แตะกันได้<อ>คือจเจริญสติบ่อยๆใช่รู้ทันใจที่ฟุ้งอ ะ, ะฟุ้งน้อยลงหรือเปล่าอยากได้คำนี้มากเลยใช่ค่ะสังเกตหรือเปล่าว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเริ่มห่างกัน ดูออกไหมดูออกค่ะทุ<ช>กก็น้อยลงทุกก็น้อยลงใช่เห็นไหมธรรมะของพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์มากเลยฝึกไปเรื่อยๆต่อไปจิตเราก็พลากออกจากขันนะแยกจากขันขันน่นเป็นตัวทุกข์เราฝึกมากเข้ามากเข้าจิตเห็นความจริงของขันนะมีแต่ทุกข์แต่โทษมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรจิตจะค่อยคลายออกปล่อยวางออกไปเพ้นทุกข์อ่ะมันทุกข์จะพยายามได้ฝึกเอา หมดละสิบห้าท่านเกินเพืเจ็จนาทีแต่นาฬิกาหลวงพ่อมตรงพอดีนะตัวนี้เร็วฮะ <c oughs> หเหลืออีกสองเหรอยอะมอด้วยค่ะท่านที่เหลืออยู่ไหนเอาวาบมาเหลือหนึ่งคนใช่ไหมคะราชการค่ะหลวงพอ่อก็ก็เพิ่งเคยได้ปฏิบัติอะค่ะแต่ว่าเมื่อปีกว่าที่แล้วก็มีมีคนเอาซีดีหลวงพ่อมาให้และทีนี้นี่ก็เลยลองฟัง เราฟังเสร็จแล้วก็เออก็เลยเป็นคนเวลาขับรถไปส่งลูกเนี่ยชอบแบบว่าเหมือนโมโหแล้วก็เลยเอ๊ออะลองดูก็เลยพอขับรถไปถ้ามีรถแบบเหมือนมาปาดหน้าหรือจี้ก้นแล้ว่ามันก็พุ่งขึ้นมาแล้ ว, ลวเราก็เอ้ยเอ้ยโมโหแล้วลว่าแต่พอคิดขึ้นมาแค่นี้ปับ๊บมันก็ความโมโหมันก็ค่อยค่อยๆนิ่งไปอืมแล้วเราก็ากเลยขับนิ่งนิ่งไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีรู้สึกอะไรอีกแล้วก็ก็ไม่ได้ปฏิบัติอีกเลย ตีซะดีไปเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิบัติอีกเลยแล้วก็แล้วก็คือเป็นคนที่ไม่คือเด็กๆ ก, ก็คือเข้าวัดตามคุณแม่คุณแม่ก็แบบไปทําบุญอะไรแต่เราไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรตรงนี้เราปฏิบัติทำนะค่อยวัดใจตัวเองเรื่อยๆใจโกรธขึ้นมาก็รู้ใจโลภขึ้นมาก็รู้น ะ, ะใจดีใจร้ายคอยรู้ใจสุขใจทุกข์คอยรู้ ร, รู้บ่อยๆซิ ่แล้วก็พอดีเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามีพี่เขาให้ไปปฏิบัติธรรมแล้วพอออกมาเนี่ยคือก่อนในนี้นก็จะตั้งคําถามตลอดว่าเอ๊ะพี่เขาพูดกันว่าเวทนาแล้วเดี๋ยวจะรู้เองอืก็ก่อนในนี้นนก็จะบอกสงสัยแล้วก็แบบเหมือนเราก็เหมือนตั้งป้อมไม่เชื่ออืแต่พอปฏิบัติก็เออเวลาใครถามเราก็ตอบไม่ได้เราก็ได้แต่งเงียบเพราะว่าเพราะว่ามันมันพูดอธิบายไม่ได้ ที่สําคัญนะก็คือความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ค่อยๆเกิดขึ้นมานะความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติธรรมดาเนี่ยมันมีนะต่อไป น, นี้ค่อยดูเ้าทํางานไปเรื่อยๆสังเกตหรือเปล่าว่าโลกนี่เริ่มห่างออกไปดูออกไหมตัวเนี้ยชัดมากเลยค่ะเออจะมาหลอกหลวงพ่อไม่ได้หรอกนะเราพาวนาเป็นนะไม่ใช่พาวนะไม่เป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือจิตอย่างนี้แหละ จะเห็นโลกธาตุเนี่ยเคลื่อนไหวไปเปรื่อยรูปธรรมนามธรรมไหลผ่านหน้าเราไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่จุดที่ผิดพลาดเมียนเดียวงย่มีการไปประครับประคองรักษาจิตอยู่นึก อ, ออกเปล่าเออไปเลิกซะตัวนั้นก็ปล่อยมันให้มันทำงานไปไม่มีมสติตามรู้มันไปใช้ได้ขอบคุณครับมาหลอกเราว่าไม่ภาวนาหมดหรือยังหมดแล้วครับ ก็ขอกราบขอพระคุณนะครับหลวงพ่อปลาโมดปลาโชนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาแสดงปาตกะถาธรรมนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่านาสิยาโลกาวัตโนอย่าเป็นคนรกรกนะครับแล้วก็เมตตานะครับให้กันบ้านนะครับกับสิทธิยานุสิตนะครับขอขอบคุณครับทุกคนนะครับพนมมือพร้อมกันครับเตรียมตัวกราบกราบกราบกราบ เรามาทำบุญหลายอย่างนะเดี๋ยเรามานั่งอยู่ตรงนี้เราก็มีศีลศีลที่ไม่ต้องขอรู้สึกไหมตอนนี้เราทำร้ายใครไหมไม่ได้ทำใช่ไหมจิตใจเราก็สงบสบายมีปกติเรามีบุญเรามีศีลแใจเราสงบในการฟังธรรมเรามีสมาธนะิเรารู้หลักของการปฏิบัติเราได้ปัญญานี่ยังมีแถมทำทานด้วยนะ ขของหลวงพ่อก็ถวายไว้ที่นี่แหละนะก็อนุโมทนากับพวกเราอาศัยเหตุว่าเป็นวันครบรอบหนึ่งรปีชาติการของหลวงพ่อปัญญาทำให้พวกเราลูกหลานของหลวงพ่อได้มาเจอกันได้มาฟังธรรมเป็นเป็นโอกาสที่ดี ต่อไปก็รับพรตามธรรมเนียมนะความจริงได้รับพรไปเรียบร้อยแล้วละ่ะ<ม>คือความดีของเราเองเลย ยถาวาริวหาปุราภริปูเรนตีสาคารังเอวเมวะอีโตดินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปะิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันระโสยะถามณีโชธิระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชฉันตุสัพพารโควินัสตุมาเตปวัดมัณตราโยสุขีที่คายุโกภวะ อาภิวาธนาสีลิสนิจังมุธาปจายิโนจตารโธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังท